วันนี้สัญญาณไม่ดีทางยูเฟซ o o ๊อยังเข้าไม่ได้ก็ถ้าเฟซเข้าไม่ได้ก็เข้า y o u t u ู e แทน y o u t u ู e ไม่ต้องเป็นสมาชิกเข้าได้เลยเฟซต้องเป็นสมาชิ ก, พ, ชกพระพุทธเจ้าบอกว่าของในโลกนี้เป็นอย่างนี้ไม่แน่นอนอ มันเปลี่ยนได้เกิดได้ดับได้ดีได้เสียได้เราอย่าไปพึ่งมันมากจนเกินไปพึ่งได้ก็พึ่งพึ่งไม่ได้ก็ไม่ต้องพึ่งแล้วเราจะไม่เดือดร้อนถ้าเราต้องพึ่งมันเวลาพึ่งมันไม่ได้เราจะเดือดร้อนของทุกอย่างมันเป็นอย่างนี้มันจะต้องมีวันเสียวันเสื่อม วันหมดที่เราทุกกันก็เพราะว่าเราอยากให้มันไม่เสียอยากให้มันไม่เสื่อมอยากให้มันไม่หมดเวลามันเสื่อมมันเสียเราเลยทุกกันถ้าเราไม่มีความอยากให้มันไม่เสื่อมไม่เสียไม่หมดเราจะไม่ทุกเราจะเฉยเฉย้เราต้องหัดทำใจไว้เลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราพึ่งพาอาศัย แม้แต่ร่างกายมันสักวันหนึ่งมันต้องเสือ่อมมันต้องเสียแล้วเราจะพึ่งมันไม่ได้วิธีที่จะไม่พึ่งสิ่งต่างๆก็คือต้องมาพึ่งใจใจมีมีที่พึ่งคือความสงบเราไม่พึ่งความสงบกันเราไปพึ่งสิ่งต่างๆเราเลยวุ่นวายกันไม่สบายใจกัน ถ้าเราพึ่งความสงบได้เราจะไม่วุ่นวายเพราะความสงบนี้ไม่มีวันเสื่อมคือถึงแม้มันจะเสื่อมเราก็ดึงมันกลับมาได้ถ้าเรารู้จักทำใจให้สงบแล้วเวลามันไม่สงบเราก็ทำให้มันสงบได้เราสามารถดึงมันกลับมาได้แต่ สิ่งต่างๆที่เสียไปแล้วนี่เราดึงกลับมาไม่ได้คนตายไปแล้วดึงเขากลับมาไม่ได้ของเสียแล้วดึงกลับมาไม่ได้งั้นของต่างๆในโลกนี้เป็นจึงไม่เป็นที่พึ่งที่ที่ควรพึ่งควรมาพึ่งในในความสงบดีกว่ามีความสงบแล้วใจจะมั่นคงสบายใจ มีความสุขใจตลอดเวลาแ ล, วลา้วเรามาหัดวิธีฝึกจิตทำจิตใจให้สงบเพราะจิตอยู่ดีๆมันจะสงบเองไม่ได้เพราะตอนนี้มันไม่รู้จักวิธีทำใจให้สงบมันรู้แต่วิธีทำใจให้ป่วนรู้ึรู้จักวิธีทำมใจให้วุ่นวายให้ฟุ้งซ่านเนี่ย ก็คือความคิดต่างๆนี่เองที่เป็นเหตุที่ทำให้ใจเราวุ่นวายฟุ้งซ่านปั่นป่วนกันเราไม่รู้จักวิธีหยุดความคิดเหล่านี้หรือถ้าหยุดก็หยุดแบบไม่ถูกหยุดแบบชั่วคราวหยุดแบบที่เดี๋ยวจะต้องเจอมันใหม่เช่นเราปั่นป่วนเราก็ไปเที่ยวกันสักพักหนึ่งวุ่นวายก็ไปเที่ยวกันสักพักหนึ่ง ตอนที่ไปเที่ยวก็ลืมเรื่องวุ่นวายต่างๆก็หายวุ่นวายใจชั่วคราวเดี๋ยวพอกลับมาเจอเรื่องวุ่นวายใหม่เรื่องปันป่วนใหม่ใจก็วุ่นวายขึ้นมาใหม่เพราเราต้องหาวิธีที่จะทำให้เรานี้สบายตลอดเวลาก็คือความสงบนี่แหละ เป็นสิ่งที่จะทำให้ใจเราสบายมีความสุขตลอดเวลาน่ะจะอยู่กับเราไปตลอดแล้วเราจะได้ไม่ต้องไปพึ่งอะไรอีกต่อไปหมามหัดทาใจให้สงบกันใจจะสงบต้องมีสติเป็นผู้กํากับใจสติเป็นผู้ที่จะคอยหยุดความคิด สติก็คือการรู้ระลึกรู้ระลึกรู้อยู่ว่าตอนนี้เรากำลังคิดหรือกำลังไม่คิดถ้าเราคิดถ้าเรามีสติเราสั่งมันได้สั่งให้มันไม่คิดได้แต่ถ้าเราสั่งมันแล้วมันยังไม่หยุดคิดแสดงว่าสติเรามีกำลังไม่พอเราก็ต้องสร้างสติขึ้นมาวิธีสร้างสติก็คือให้ เราคิดอยู่กับเรื่องเดียวสิ่งเดียวนช่นให้คิดอยู่กับพุทโธพุทโธพุทโธไปเวลามันคิดจะไปเที่ยวคิดจะไปซื้อข้าวของคิดไปทำอะไรเราก็ให้มันคิดแต่พุทโธพุทโธไปพอเราอยู่กับพุทโธพุทโธไปเดี๋ยวความคิดเกี่ยวกับเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็จะหยุดไปพอความคิดหยุดไปความวุ่นวายใจต่างๆก็จะหยุดหายไป ใจก็จะเบาจะเย็นจะสบายเวลาเสียใจเวลาโกรธ ถ, ถ้าเราพุโทโธพุโทโธไปสักระยะหนึ่งเดี๋ยวเราก็จะลืมเรื่องที่ทําให้เราเสียใจลืมเรื่องที่ทําให้เราโกรธพอลืมแล้วความเสียใจความโกรธก็จะหายไปเป็นเรื่องง่ายๆแต่ ไม่ทำกันมันก็เลยยากเพราะเราไม่เคยทำเลยทำเหมือนกับทำไม่เป็นเหมือนก่อนที่ขี่จักรยานไม่เป็นการขี่จักรยานนี้มันไม่ยากแต่ถ้าเราไม่หัดเราก็จะขี่ไม่ได้แต่ถ้าเราหัดขี่แล้วต่อไปเราก็จะขี่ได้ขี่แบบปล่อยมือก็ได้ถ้าขี่เป็นแล้ว อันนี้ก็เหมือนกันการใช้สติหยุดความคิดนี้ก็เป็นของง่ายแต่เราไม่ทำกันมันก็เลยกลายเป็นของยากไปให้พุโทโธพุโทโธก็พุโทโธไม่ออกอเพราะใจมันไม่ชอบพุโทโธมันชอบคิดมากกว่าชอบคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ชอบคิดถึงคนนั้นคนนี้มันเป็นนิสยัย เหมือนกับคนที่ติดนิสัยคนที่มีนิสัยใช้มือขวาถนัดมือขวาก็จะใช้มือขวาจะไม่ชอบใช้มือซ้ายถ้าจะต้องใช้มือซ้ายก็ต้องหัดต้องมังคับมันถึงจะใช้ได้แต่คนเราไม่ชอบเรียนไม่ชอบเรียนอะไรใหม่ๆชอบชอบใช้ของเก่าของที่ของที่ถนัดมันสบาย ไม่ต้องเรียนไม่ต้องบังคับแต่พอต้องมาเรียนของใหม่มหัศจรรมของที่ไม่ถนัดมันจะไม่สบายมันถึงไม่ชอบพวกเราไม่ชอบพุโทโธกันเพราะเราชอบคิดด้วยเบื่อยชอบคิดเรื่องนั่นเรื่องนี้คนนั่นคนนี้สิ่งนั่นสิ่งนี้วิภาควิจารณ์ไปได้ร้อยแปดพันประการคิดได้ทั้งวันทั้งคืน พอให้คิดว่าคำพุโทโธพุโทโธคำเดียวคิดไม่ออกมันก็เป็นความคิดเหมือนกันแต่เพราะเราไม่เคยคิดแบบนี้เราก็เลยไม่ชอบคิดแบบนี้กันเราต้องมาบังคับต้องเห็นคุณค่าของการอของคำของการคิดพุดโทโธพุโทโธว่ามันทำให้ใจเราว่างจากความคิด พอใจว่างแล้วใจเราจะเย็ยนจะเบาจะสบายจะมีความสุขโดยที่ไม่ต้องเสียเงินไปซื้อความสุขอย่างที่พวกเราต้องเสียกันทุกวันนี้เราจะมีความสุขกันได้ น, นีต้องมีเงินก่อนใช่ไมพอมีเงินแล้วก็ไปซื้อสิ่งนั้นสิ่งนี้ไปดูอ้นัน่นฟังไอ้นี่พอได้ทำตามความอยากก็เกิดความสุขขึ้นมาแต่ต้องมีเงินถึงจะทำได้ พอไม่มีเงินก็ทุกข์อแต่ถ้าเรามีพุโทโธคําเดียวนี่เราสบายกว่าไม่ต้องไปหาเงินแล้วใช้เท่าไหร่ก็ไม่มีวันหมดพุโทโธนี้อยู่ในใจอยู่ในตัวเราเป็นของเรามีเป็นแสนล้านพุโทโธเลยพุโทโธได้ตลอดเวลาใช้เท่าไหร่ไม่มีวันหมดไม่เหมือนเงินทองมีกี่ล้านใช้ไปเดี๋ยวก็หมดแต่ใช้พุโทโธนี้ไม่มีวันหมด ใช้ไปเถิดพุทโธยิ่งใช้ยิ่งมากขึ้นยิ่งใช้พุทโธยิ่งมีพุทโธมากขึ้นยิ่งมีกําลังมากขึ้นแล้วต่อไปพอมีสติหยุดความคิดได้ก็ไม่ต้องใช้พุทโธก็ได้พุทโธนี้เป็นเหมือนชูชีพหรือห่วงยางที่คนว่ายน้าไม่เป็นจะต้องใช้เกาะเวลาหัดว่ายน้ําตอนต้นอาจจะต้องใช้ชูชีพใช้ห่วงยางเกาะไว้ก่อน แต่พอไหว้ป็ปแล้วก็ไม่ต้องใช้ฉูชีพไม่ต้องใช้ห่วงยางพุโทโธนี้ก็เป็นเหมือนชูชีพเหมือนห่วงยางที่เรายังไม่มีสติเราเลยต้องใช้พุโทโธมาเป็นสติมามามาสร้างสติให้กับเราพอเรามีสติแล้วเราก็ไม่ต้องใช้พุโทโธพอมันจะคิดก็บอกเพียงแต่รู้ว่ามันจะคิดมันก็หยุดคิดได้อันนี้ เป็นของมีค่ามากอมีค่ามากกว่าเงินทองเพราะมีเงินทองกี่ร้อยล้านพันล้านก็หยุดความคิดไม่ได้หยุดความเครียดไม่ได้หยุดความทุกข์ไม่ได้ความเครียดความทุกข์มันก็เกิดจากความคิดนี่แหละคิดไปในทางความอยากมันก็จะทําให้เครียดทำให้ทุกข์ขึ้นมาอยากได้นั่นอยากได้นี่พอไม่ได้ก็เครียดน มีเงินทองก็ไม่สามารถหยุดความเครียดได้แต่มีสติมีพุทธโธนี่หยุดได้แล้วเป็นของที่ไม่มีใครมาขโมยจากเราไปได้เอาจากเราไปได้มีเงินทองนี่ถ้าไม่ระมัดระวังก็อาจจะถูกเขายักไปได้แต่พุทธโธนี่ไม่มีใครแย่งไปได้เป็นของเราไม่ต้องมีตู้เซฟเก็บไว้เหมือนทองคำนี่มีทองคาสัก สิบกิโลนี่โอ้ยต้องหาตู้ใหญ่ๆมาเก็บไว้รักษาไว้มีทองคำสิบกิโลก็ดับความเครียดไม่ได้ดับความทุกข์ไม่ได้มีพุโทโธคาเดียวอยู่ในใจนี้ดับได้แล้วที่ปลอดภัยที่สุดที่ไม่มีใครจะมาขโมยพุโทโธไปได้ก็คือที่ใจเหล่านี้ของที่มีอยู่ในใจเหล่านี้ไม่มีใครขโมยไปได้แต่ของที่อยู่นอกใจนี้ ต้องเสียหมดร่างกายก็ต้องเสียสมบัติเข้าของเงินทองก็ต้องเสียไม่เสียด้วยเพราะไม่เสียเพราะเขาขโมยไปก็เสียเพราะว่ามันมันหายไปมั น, ม, นมันเกิดเหตุการณ์ที่ทําให้มันต้องจากเราไปแต่ทรัพย์ภัยหน่อยคือพุทโธเนี่ยคือสติคือปัญญาเนี่ยมันจะไม่มีวันหายไปจากใจสติก็หยุดใจปัญญาก็สอนใจ ปัญญามีไว้สำหรับสอนใจว่าตอนนี้คุณเครียดเพราะอะไรคุณเครียดเพราะคุณกำลังอยากให้คนนั้นเป็นอย่างนี้อย่างนั้นพอเขาไม่เป็นคนก็เครียดขึ้นมาคุณทำธุรกิจคุณเครียดเพราะคุณอยากจะให้ขายดีพอขายไม่ดีคุณก็เครียดเพราะไหนจะต้องมีดอกเบีย้ยคอยส่งแบงก์แล้วเดี๋ยวเกิดรายไ ด, ไ ด, ได้มันไม่มันไม่เข้าเป้าคุณก็เครียดขึ้นมา เพราะคุณอยากให้ได้รายได้ดีจะได้ไม่เครียดนี่คือปัญญาปัญญาจะสอนใจว่าเวลาเราเครียด<ม>เวลาเราพุ้งเราวุ่นวายนี้เกิดจากสาเหตุอะไร<ม>ก็เกิดจากความอยากสามอย่างนี่อยากมีอยากเป็นอยากได้นั่นอยากมีนี่หรืออยากไม่ให้มันเป็นอย่างนั้นอยากไม่ให้มันเป็นอย่างนี้พอมันเป็นขึ้นมาก็เครียดหรืออยาก หาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายพอไม่มีอะไรให้ดูก็เครียดไม่มีอะไรให้ฟังก็เครียดไม่มีอะไรให้ดื่มให้รับประทานก็เครียดทุกขึ้นมาอันนี้แหละปัญญาจะเป็นผู้บอกเราให้รู้ว่าเรากำลังทุกข์กับความอยากต่างๆถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เราก็อย่าไปอยากมันเรา อยู่กับความสงบแล้วใจเราจะไม่ทุกข์ใจจะไม่หิวใจจะไม่อยากใจจะอิ่มใจจะพอถ้าใจออกจากความสงบออกไปหาความอยากเมื่อไหร่ใจจะทุกข์ขึ้นมาทันที <Yeah. S 1> เราต้องมีทรัพย์สองอย่างนี้อยู่ในใจเราอาริยะทรัพย์ถ้าเรามีแล้วจะไม่มีใครมาแย่งจากเราไปได้ เราไม่ต้องไปหาตู้เซฟอันใหญ่โตไม่ต้องไปจ้างรอปพมาคอยเฝ้าอยู่ตลาดไม่ต้องไปซื้อประกันภัยไปซื้ออะไรต่างๆเพราะเราของนี้อยู่ในใจเรานี้เป็นของที่ปลอดภัยที่สุดไม่มีใครจะสามารถมาเอาจากใจเราไปได้ยังั้นเรามาหาซับภายในดีกว่า อาของวิเศษที่แท้จริงของที่จะรักษาใจของเราให้สงบให้มีความสุขตลอด24ชั่วโมงตลอดเวลาไม่ว่าจะตื่นจะหลับไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนไม่ว่าร่างกายจะมีหรือไม่มีร่างกายจะเจ็บหรือไม่เจ็บความสุขที่เรามีภายในใจนี้จะไม่ถูกสิ่งเหล่านี้ <c oughs> ทาลาย นี่แลละเป็นสิ่งที่เราไม่รู้จักกันไม่หากันหาแต่สิ่งที่ทำให้เราวุ่นวายใจกันเพราะสิ่งที่เราหามาได้เดี๋ยวมันก็ต้องหมดหมดช้าหมดเร็วเวลาหมดแล้วก็เสียใจเสียใจเรือเหงาพอเสียสิ่งที่เราชอบเราลากไปมันก็ทำให้เราเหงาขึ้นมาเสียใจแต่เราก็ไม่เข็ด แทนที่จะหยุดหากลับไปหาใหม่เสียแล้วก็ต้องมาหาใหม่มาแทนหามาเท่าไหร่มันก็เหมือนกันะหามาแล้วเดียวมันก็ต้องเสีย <c oughs> เดียวมันก็ต้องจากเราไปทำไมเราไม่มาหาสิ่งที่จะไม่เสียไม่จากเราไปคือความสุขที่ได้จากความสงบนี้เป็นความสุขที่จะไม่จากเราไป นั่นเป็นความสุขที่ดีกว่าความสุขที่เราได้จากสิ่งต่างๆสิ่งต่างๆได้มาก็สุขเดียวๆแล้วเดียวมันก็หายไปแต่ความสุขที่ได้ทางใจนี่มันอยู่กับใจไปนานให้ความอิ่มให้ความสุขที่มีน้ำหนักมากกว่าความสุขที่ได้จากสิ่งต่างๆในโลกนี้ เราควรที่จะเปลี่ยนเป้าหมายของการหาความสุขแทนที่จะหาความสุขจากเงินทองหาความสุขจากข้าวของความสุขจากคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ให้มาหาความสุขจากความสงบด้วยการฝึกสติกันวิธีฝึกสตินี้เราทำได้ตลอดเวลาไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนยกเว้นเวลาหลับเท่านั้นที่เรา ฝึกสติไม่ได้พอเราเตงขึ้นมาลืมตานี่เราก็พุโทโธได้เลยน้องหัดทําดูซิพอตืมตาขึ้นมาแทนที่จะปล่อยให้มันไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ให้มันอยู่กับพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปทําอะไรที่ไม่ต้องใช้ความคิดก็พุโทโธไปอาบน้ําล้างหน้าแปรงฟันอสีฟันอแต่งเนื้อแต่งตัวรับประทานอาหาระ พุโทโธพุโทโธพุโทโธไปเรื่อยๆอย่าไปคิดถึงคนนั้นคนนี้คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้พอคิดแล้วเดี๋ยวจะเกิดอารมณ์ขึ้นมาดีบ้างไม่ดีบ้างถ้าอยู่กับพุโทโธแล้วจะไม่มีอารมณ์ใจจะว่างจะเย็นจะสบายแล้วถ้ามีเวลาว่างไม่ต้องทำอะไรก็นั่งหลับตาแล้วก็พุโทโธต่อไป หรือถ้าไม่อยากจะพุโทโธอยากจะเปลี่ยนเป็นมาดูลมหายใจเข้าออกก็ได้ดูลมโดยที่ไม่ต้องใช้พุโทโธก็ได้ดูลมเข้าลมออกไม่ต้องไปบังคับลมนั่งดูเฉยๆนั่งหลับตาแล้วก็ดูที่ปลายจมูกลมจะเข้าตรงตรงนั้นออกตรงนั้นเราจะเราจะรู้สึกความสัมผัสของลมตรงที่ปลายจมูกก็ให้เฝ้าดูตรงจุดนั้นอย่าเข้าออกตามลม อย่าอย่าตามลมเข้าไปอย่าตามลมออกมาเพราะการทาการตามลมเข้าออกนี้จะทำให้ใจไม่นิ่งถ้าต้องการให้ใจนิ่งใจต้องให้รู้อยู่ที่เดียวให้รู้อยู่ที่ปลายจ ม, มูกหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้ลมสั้นก็รู้ว่าสั้นลมยาวก็รู้ว่ายาวลมหยาบก็รู้ว่าหยาบลมละเอียดก็รู้ว่าละเอียดให้รู้แค่นี้ ถ้าเรารู้แล้วไม่ไปคิดอะไรได้ใจจะค่อยๆสงบสงบผไปแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็จะจางหายออกไปจากใจรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆที่เรารับรู้ก็จะค่อยๆจางหายไปเหมือนเวลาเราเดินเข้าไปในถ้ำเนี่ยยิ่งเข้าไปลึกเท่าไหร่เสียงที่อยู่ภายนอกถ้ำก็จะค่อยๆหายไปหายไปพอเข้าไป ลึกเข้าไปนี้เสียงต่ตางๆหายไปหมดนะถ้าจิตสงบก็จิตกำลังเข้าไปในถ้ำนะเข้าไปในร้มความรู้สึกที่รับรู้ผ่านทางร่างกายก็จะค่อยๆหายไปแล้วใจจะเบาจะเย็นจะมีความสุขถ้าอยากจะให้ใจสุขเต็มที่ต้องนั่งนิ่งๆนั่งเฉยๆถ้ายังเคลื่อนไหวยอยู่จะสงบไม่เต็มที่ สงบแบบยังต้องคิดอยู่ยังต้องทำงานอยู่เพราะถ้าร่างกายทำงานก็แสดงว่าใจเป็นผู้สั่งให้ทำงานร่างกายจะเดินได้ใจต้องเป็นผู้สั่งให้เดินร่างกายจะทาอะไรใจต้องเป็นผู้สั่งเมื่อใจสั่งใจก็จะไม่นิ่งใจก็จะต้องทำงานถ้าอยากให้ใจหยุดทางานก็ต้องทำให้ร่างกายนิ่งก่อนให้ร่างกายนั่งเฉย พอเราต้องถ้าเราต้องการความสงบเต็มที่เราต้องนั่งนิ่งๆร่างกายต้องนั่งนิ่งๆถึงจะสงบเต็มที่ถ้าร่างกายยังเคลื่อนไหวอยู่จะสงบไม่เต็มที่แต่ก็ต้องทําเพราะถ้าไม่ทําไม่ฝึกควบคุมความคิดไม่หยุดความคิดในขณะที่เราเคลื่อนไหวทําอะไรต่างๆเวลามานั่งมันจะไม่มันจะคิดต่อแล้วมันจะไม่หยุดคิดเราต้องฝึกหยุดคิดก่อนที่เราจะมานั่ง ถ้าเราควบคุมความคิดได้ก่อนที่เราจะมานั่งเวลานั่งใจก็จะหยุดคิดได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วนั่งไปห้านาทีสิบนาทีใจก็นิ่งสงบสบายถ้าเราหยุดคิดไม่ได้นั่งไปชั่วโมงหนึ่งก็ยังคิดอยู่นั่นแล้วถ้าคิดแล้วก็เดี๋ยวก็จะเกิดความรู้สึกอึดอัดอเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้อยากจะลุกไปทำนู่นทำนี่ก็จะทนนั่งต่อไปไม่ได้ <c oughs> การฝึกสตินี้ต้องมาก่อนการนั่งสมาธิถ้า <c oughs> ฝึกสติไม่มีสตินั่งสมาธิจะไม่นิ่งไม่สงบจะไม่ได้ผลเะฉั้นต้องพยายามฝึกสติให้มากสติเราสามารถฝึกได้ตลอดเวลาในขณะที่เราตื่นไม่ว่าเราจะทําอะไรก็ให้ใจเรามีสติมีพุทโธกํากับใจ ถ้าต้องใช้ความคิดกับงานก็ให้คิดเฉพาะงานเท่านั้นเจนกำลังจะฉีดยาก็ให้อยู่กับการฉีดฉีดยาไม่ใช่เตรียมเข็มฉีดยาเดี๋ยวไปคิดถึงแฟนว่าเดี๋ยวเย็นนี้นัดกับแฟนไปกินข้าวที่ไหนดีไมด่ดีเดี๋ยวฉีดผิดแ ท, แทนที่จะเข้าเข้าตรงเส้นเลือด ก, กับไม่เข้าไปเข้าที่อื่นอันนี้ก็เพราะว่าไม่มีสติถ้าทาอะไรทางานก็ต้องมีสติ แล้วก็อย่าไปคิดเรื่องอื่นให้อยู่กับเรื่องงานที่เรากำลังอยู่คิดอยู่กับเรื่องงานที่กำลังทำว่าตอนนี้เรากำลังจะฉีดยาเราจะต้องเจาะตรงไหนต้องดูตรงไหนเวลาเอายาก็ต้องดูว่าเป็นยาที่เราจะฉีดให้หรือเปล่าบางทีหมอไปหยิบยาผิดให้คนไข้ฉีดเข้าไปคนไข้ตายก็มี เพราะเวลาหยิบยาขึ้นมากำลังคิดถึงแฟนอยู่พอดีเลยไม่ได้ดูว่ายานี้เป็นยาที่ถูกหรือไม่ <c oughs> นี่คือการมีสติให้เรามีให้มีความรู้สึกว่ารู้อยู่ตลอดเวลากับสิ่งที่เรากำลังทำอยู่แล้ว เ, เราจะไม่ทาแล้วมันจะไม่ผิดพลาดแล้วใจเราจะเย็นจะสบายไม่เครียดกับการทำงาน ที่เราเครียดเพราะใจไม่อยากจะอยู่กับงานใจอยากจะไปหาคนนั้นหาคนนี้ใจคิดไปถึงคนนั้นคนนี้แล้วแต่ร่างกายยังต้องอยู่ที่ทํางานอยู่ใจก็เลยเครียดเพราะอยากจะไปแต่ไปไม่ได้ไม่มีความสุขกับการทํางานแต่ถ้าเราดึงใจให้อยู่กับงานที่เราทําทุกขั้นตอนของการทํางานนี้ใจเราจะเย็นจะเบาจะสบายจะมีความสุข เพราะความอยากที่จะไปที่นู่นที่นี่มันไม่เกิดเพราะเราควบคุมมันได้ควบคุมความคิดได้นี่คือสิ่งแรกถ้าเราอยากจะนั่งสมาธิแล้วได้ผลเราต้องฝึกสติก่อนต้องคอยควบคุมความคิดหยุดความคิดให้ได้ก่อนถ้าควบคุมความคิดหยุดความคิดไม่ได้นั่งไปเท่าไหร่มันก็จะไม่สงบไม่ได้ผละก็เหมือนกับไม่ได้นั่ง นั่งไปก็มีแต่กิริยาของร่างกายแต่ใจนี่ยังวุ่นวายอยู่ยังคิดอยู่ยเราต้องพยายามฝึกสติสตินี้เป็นธรรมที่ยอดเยี่ยมที่สุดพระพุทธเจ้าสง่งท่งยกย่องสติว่าเป็นธรรมที่เหนือกว่าธรรมทั้งปวงเปรียบเหมือนกับรอยเท้าช้างนี่เป็นรอยเท้าที่ใหญ่กว่ารอยเท้ารอยเท้าสัตว์ทั้งปวงที่มีอยู่ในปา่า รอยเท้าสัตว์ชนิดไหนก็ตามรอยเท้าช้างนี่สามารถครอบได้หมดเลยไม่มีรอยเท้าสัตว์ชนิดไหนมาครอบรอยเท้าช้างได้เราพูดถึงสัตว์ปัจจุบันนะไม่ใช่สัตว์ยุคไนะดโนเสาร์เดี๋ยวมาอ้างเอาไดาโนเสาร์มาสมัยที่พระเจ้าไม่มีไดโนเสาร์สมัยพระเจ้าพูดนี้มีช้างนี่เป็นสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดสติก็เป็นธรรมที่สําคัญที่สุดนะ ถ้าไม่มีสติแล้วทำอะไรไม่เกิดผลขึ้นมาสมาธิไม่เกิดปัญญาไม่เกิดการหลุดพ้นวิมุตติไม่เกิดต้องมีสติเป็นผู้นำทางเปิดทางอพอมีสติแล้วสมาธิก็ตามมาได้ปัญญาก็ตามมาได้วิมุตติหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายก็ตามมาได้ถ้าไม่มีสติแล้วไม่มีสมาธิ สมาธิไม่เกิดปัญญาไม่เกิดปัญญาที่เป็นที่เกิดก็ไม่ใช่เป็นปัญญาที่จะทำให้จิตวิมุตติปลดพ้นจากความทุกข์เป็นปัญญา ท, ที่ที่เป็นสัญญาคือเวลาได้ยินก็เป็นปัญญาเดี๋ยวพอไม่ได้ยินก็หายไปพอเวลาจะใช้มันก็ใช้ไม่ได้เวลาจะใช้ปัญญาฆ่ากิเลสไม่รู้หายไปไหนซะแล้ว ปัญญาที่เราได้ยินได้ฟังนี้พอเราฟังแล้วเดี๋ยวเราก็ลืมเราฟังแล้ววันนี้ว่าความทุกข์เราเกิดจากความอยากถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็หยุดความอยากแต่พอเวลาเกิดความทุกข์ขึ้นมาก็ลืมไม่หมดเพราอยากอะไรแทนที่จะหยุดความอยากนั้นกลับไปทําตามความอยากนะั้นอยากดื่มกาแฟก็ไปดื่มกาแฟอยากดูทีวีก็ไปดูทีวีอยากไปหาแฟนก็ไปหาแฟน มันก็หายไปชั่วข่าวชั่วขณะที่ไปทำตามความอยากแล้วถ้าไปแล้วไม่เจอแฟนก็ก็เสียใจ อ, อยากจะดื่มกาแฟกาแฟหมดก็เดือดร้อนอีกอยากจะดูทีวีไฟดับก็ดูไม่ได้อีกอันนี้ก็จะไม่ใช่เป็นวิธีที่จะแก้ความทุกข์ใจ ทำทุกใจก็เปลี่ยนใจอยากจะดื่มกาแฟก็เปลี่ยนไม่ดื่มก็ได้วะเลิกดื่มอยากดูไม่ดูก็ได้วะอยากไปหาแฟนไม่ไปก็ได้วะอยู่คนเดียวก็ได้ถ้าไม่มีความอยากแล้วใจจะไม่เครียดใจจะไม่ทุกข์แต่เราลืมไม่หมดปัญญาเหล่านี้ที่เราได้ยินได้ฟังพอไปอยู่เจอเหตุการณ์จริงพอเกิดความอยากขึ้นมานี่ลืมหมดเลยทำอย่างเดียวจะต้องทาตามความอยากให้ได้ อยากจะทำอะไรอยากจะดูอะไรจะต้องทำให้ได้อันนี้ไม่เรียกว่าเป็นปัญญาปัญญาที่เราได้ยินได้ฟังเป็นเป็นเป็นตัวที่จะปลูกปัญญาตัวจริงให้เกิดขึ้นปัญญาที่เป็นตัวจริงนี้ต้องเป็นปัญญาที่มีความสงบมีสติมีสมาธิควบคุมถึงจะเป็นปัญญาที่จะสามารถหยุดความอยากดับความทุกข์ใจได้ ถ้าเป็นปัญญาที่ไม่มีสติไม่มีสมาธิดับไม่ได้เพราะมันหายไปมันลืมไปหรือถ้าไม่ลืมก็มีไม่มีกำลังที่จะสู้กับความอยากความอยากมันกลัวตัวเดียวกลัวสติสตินี้หยุดได้พออยากอะไรพุโทโธพุโทโธไปเดี๋ยวมันก็หยุดอยากได้ต้องมีทั้งปัญญาต้องมีทั้งสติถึงจะหยุด ความอยากได้อย่างถาวรถ้ามีสติอย่างเดียวมันก็จะหยุดช่วงขณะที่เราพุทโธเพราะเราไม่พุทโธมันก็อยากขึ้นมาใหม่ได้เพราะเราไม่รู้ว่า uh, ความอยากนี้เป็นโทษผู uh. ้ที่จะรู้ว่าความอยากเป็นโทษก็คือปัญญา uh. พอปัญญาบอกว่าความอยากนี้เป็นโทษ uh. แล้วมีสติหยุดมันได้เราก็จะหยุดความอยากทันทีแล้วถ้าเราหยุดอย่างนี้ทุกครั้งไปต่อไปความอยากมันก็จะหายไปหมดไป นี่แหละคือสิ่งที่เราควรที่จะมาทำกันไม่เะ่นนั้นแล้วเราก็จะคว้าน้ำเหลวไปทุกชีวิตคว้าน้ำเหลวไปยังไงก็มาเกิดแล้วเวลาตายไปก็เอาอะไรไปติดตัวไม่ได้เลยความสุขต่างๆสิ่งต่างๆที่เราหาได้หากันแทบเป็นแทบตายพอตายไปก็หมดกลายเป็นของคนอื่นไปหมด หาเงินหาทองนี่เดี๋ยวตายไปใครใครมารับไปลูกหลานหรือใครก็ตามแต่เจ้าของผู้ที่หานี้ไม่ได้เอาไปไม่ได้เลยความน้ำเหลวทุกภพทุกชาติพอตายไปก็อยากจะกลับมาหาเงินใหม่ก็กลับมาเกิดใหม่พอกลับมาเกิดใหม่ก็หาใหม่พอหาได้พอถึงเวลาตายก็เอาไปไม่ได้ มันเลยทําให้ไม่อิ่มไม่พอหิวอยู่เรื่อยๆสิ่งต่างๆที่หามาได้ในโลกนี้ไม่ให้ความอิ่มความพอแก่ใจไม่สามารถหยุดความอยากได้มีแต่จะเพิ่มความอยากให้มากขึ้นได้ร้อยแล้วอยากจะได้เท่าไหร่ต่อแฟได้ร้อยก็อยากจะได้พันนะได้พันก็อยากจะได้หมื่นนะมีถอยหลังไหมอยา ก, ากมืนอยากจะได้มื่นแล้วอยากจะได้พันมีไหมไม่มีนะ ได้ร้อยอยากจะได้ศูนย์มีไมก็มีคนฉลาดที่คิดอย่างนี้พระพุทธเจ้าเป็นราชโอรสอยากเป็นขอทานนีอ้อยากฉลาดราชสมบัติเนี่ยคนฉลาดเขาจะคิดอย่างนี้เพราะถ้ามีศูนย์แล้วมันก็จะไม่มีอะไรที่จะต้องอยากต่อไปอถ้าอยากได้ศูนย์แล้วมันไม่มีเราจะต่อจากศูนย์ในชะ่ไ้มถ้าจะอยากได้อย่างอื่นมันต้องมีต่อ นายเป็นนายร้อยก็อยากจะเป็นนายพันแล้วสิเป็นนายพันก็อยากจะเป็นนายพลแล้วเป็นนายพลก็อยากจะเป็นนายกกแล้วสิเป็นนายกแล้วก็อยากจะเป็นไมนานานแล้วสิมีที่หรออยากจะลงไหมเบื่อแล้วเกินไม่อยากจะเป็นนายกอยากจะกลับไปเป็นนายพลไหมวะอยากจะกลับไปเป็นนายพันไหมวะ ไม่มีไม่มีใครอยากจะกลับถอยหลังมีแต่อยากจะไปข้างหน้าอยากจะได้มากขึ้นมากขึ้นนี่คือความคิดของคนโง่คนโง่จะคิดอย่าีเพราะไม่รู้ว่านี่กําลังไปสร้างความทุกข์ให้กับใจสร้างความเครียดให้กับใจเอยิ่งอยากมากมันก็ต้องเครียดมากใช่ไหมมันต้องหหาาาาามมมกกกกต้้้อออองเนนน่ยยยถั็หามัน ก, มนก็มันก็หาน้อยไม่ต้องเหนื่อยมาก หาพันหนึ่งกับหารอยหนึ่งนี้อันไหนง่ายกว่ากันสบายกว่ากันใช่ไหมพันหนึ่งกับร้อยหนึ่งอันไหนสบายกว่ากันแล้วหาหาหาร้อยกับหาศูนนี่อันไหนสบายกว่ากันศนนี่สบายไม่อยากได้เงินนี่ก็อยู่เฉยๆสบายอันนี้แหละคือคนฉลาดคิดถ้าเขา คนจะลาดเขาคิดเพราะเขาคิดเขาดูใจเป็นหลักดูความสบายใจเป็นหลักถ้าหาแล้วมันใจมันเครียดมากขึ้นทุกมากขึ้นไปหามันทำไมถ้าหาแล้วทำให้ใจมันหายเครียดเบาใจเครียดน้อยลงมันต้องเอาอย่างนั้นสิเพราะความเครียดนี่มันเป็นภัยต่อใจใช่มมีใครอยากจะเครียดบ้างมีใครอยากจะทุกบ้าง แต่ไม่รู้กันว่าความทุกข์ความเครียดนี้เกิดจากความอยากได้มากๆนี่เองถ้าอยากได้น้อยๆแล้วไม่เครียดหรอกถ้าไปเจราจากับเจ้านายบอกเดือนนี้ผมขอลดเงินเดือนได้ไหมาเจ้านายบอกได้สิไ ม, ไม่ไม่เครียดเลยเจ้านายก็ไม่เครียดเราก็ไม่เครียดถ้าไปลองเจราจาขอขึ้นเงินเดือนเนี่ยเครียดเลยเนี่ยทะเลาะกันเนี่ยคนทำงานแค่นี้คุณยังจะเอาเงินเพิ่มอีก นพวกเราชอบสร้างความเครียดกันเพราะความอยากลองมาหยุดความอยากกันดูแทนที่อยากได้อยากเสียดูเลยแล้วจะไม่เครียดเนี่ยใวันนี้มาทำบุญแล้วเครียดไหมไม่เครียดวันนี้อยากเสียเงินไหมอยากเสียใช่ไหมเอาเงินมาทำบุญหรือเปล่าเสียเงินหรือเปล่าเสียแล้วเครียดไหมไม่เครียดใช่ไหมเสียแล้วเบาใจสบายใจเนี่ยพระพุทธเจ้าึงสอนบอกให้ทาบุญ ให้เสียให้เสียสละความเสียสละแบ่งปันนี่แหละเป็นเหตุที่ทําให้เราเกิดความสุขความโลภมากอยากได้มากนี่เป็นเหตุให้ทําให้เราทุกข์ให้เราเครียดกันแต่เราก็ไม่เชื่อยังอยากได้มากอยู่นั่นได้คือก็อยากจะได้สอกได้สอกก็อยากจะได้วาได้เท่าไหร่ก็ไม่พอเพราะความอยากมันจะขยายตัวออกไปเรื่อยๆมหาสมุทรนี้ใหญกว้างใหญ่ไปสายขนาดไหนมันยังมีขอบเนี่ย มีขอบมันไม่ขยายตัวไม่ได้นะแต่ความอยากนี่มันไม่มีขอบนะมันขยายเหมือนกับกางเกงที่ใช้ ยางรัดนี้มันขยายได้กินกินอาหารมาก <g ill in> มันก็มขยายได้เออนี่ยคือความอยากมันเป็นอย่างนั้นเหมือนเส้นยางที่รัดรัดรัดเสื้อผ้าเราเนี่ยมันขยายได้ออร่างกายกินมากขึ้นมันก็ขยายออกตามร่างกายได้เ อ, อี่ยนั้นอย่าไปทําตามความอยากเพราะจะไม่มีวันที่จะอิ่มไม่มีวันที่จะพอ เราจะต้องเหนื่อยจะต้องดิ้นไปเรื่อยๆแล้วเวลาเสียหน่อยหรือได้น้อยหน่อยก็เสียใจแล้วเคยได้พันหนึ่งพอวันนี้ได้ร้อยหนึ่งนี่โอ้ยเสียใจไม่สบายใจเนี่ยมีคนอยู่สองคนเนี่ยคนหนึ่งมีสองคนมีเงินเท่ากันแต่คนหนึ่งดีใจกับคนหนึ่งเสียใจคนมีเงินสองคนมีคนละล้านเท่ากันคนที่ดีใจเพราะว่าเมื่อก่อนมีแค่แสนเดียว วันนี้ได้ได้มาเป็นล้านโอ้ยดีใจใหญ่เลยอีกคนเสียใจเพราะเมื่อก่อนมีสิบร้านตอนนี้ลดเหลือล้านหนึ่งเมื่องันเงินเท่ากันทำไมใจไม่ทำไมไม่สุขเท่ากันมีเงินเท่ากันแต่กลับไม่มีความสุขเท่ากันก็เพราะว่าถ้าได้มากมันก็จะดีใจถ้าเสียมันก็จะเสียใจ แต่ถ้าเป็นคนฉลาดถ้าคิดแบบคนฉลาดคนที่มีสิบล้านล้เหลือล้านนึงกลับจะดีใจเพราะจะได้ไม่ต้องกังวลอีกเก้าล้านที่ว่าจะลองมาคอยดูแลรักษามันเหลือล้านเดียวเมื่อก่อนนี้ต้องดูแลสิบล้านเดี๋ยวนี้ลดเหลือล้านเดียวสบายกว่าเยอะใช่ไหมไอนคนที่มีแสนแล้วมามามีล้านเนี่ยคนนี้กลับจะทุกข์เพราะต้องมาดูแลเงินเพิ่มมากขึ้น คิดแบบคนฉลาดเขาจะดูทางจิตใจดูเรื่องของความภาระที่จิตใจจะต้องมามีพันธะกับสมบัติที่มีอยู่ยิ่งมีมากก็ยิ่งต้องดูแลมากต้องห่วงมากต้องห่วงมากมีน้อยก็ห่วงน้อยไม่มีก็ไม่มีอะไรจะห่วงไม่มีอะไรจะห่วงทำไมไม่คิดกันอย่างนี้ถ้าอยากจะไม่มีความห่วงไม่มีความห่วงก็อย่าไปมีอะไร าการจะอยู่แบบไม่มีอะไรได้ก็ต้องทําใจให้สงบเท่านั้นเองตอนนี้พวกเราไม่มีความสงบกันเราเลยต้องหาสิ่งนั้นสิ่งนี้มาให้ความสุขกับเราเราก็เลยคิดว่าถ้ามีมากแล้วเราจะมีความสุขมากแต่เราก็ไม่รู้ว่าความสุขที่เราได้มามันมีมันมีภาระมาตามมาด้วยยิ่งยิ่งใช้มากก็ต้องหามากต้องเหนื่อยมาก ถ้าใช้น้อยก็หาหาน้อยเหนื่อยน้อยพจจะระพุทธเจ้าถึงสอนให้พวกเรามักน้อยกันมักน้อยมันจะได้ไม่เหนื่อยหาพอมีพอกินก็พอแล้วแล้วก็กินของถูกๆ ก, กินของที่ทำหน้าที่ได้เหมือนกันอาหารมื้อละห้าสิบบาทกับมื้อละห้าพันบาทเหมือนกันทำหน้าที่อันเดียวกัน กินเข้าไปมันก็อิ่มเหมือนกันถ่ายออกมามันก็เป็นอุจจาระเหมือนกันทำไมต้องไปเสียเงินห้าพันบาทมาทำเป็นอุจจาระเสียแค่ห้าสิบาทไม่ดีกว่าห้าสิบบาทก็จะได้กินต้องต้องร้อยวันห้าพันบาทก็กินแค่วันเดียวนี่คิดไม่เป็นเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่มามักน้อยแล้วชีวิตจะจิตใจจะสบาย จะไม่มีความเครียดกับการที่จะต้องคอยหามาเลี้ยงเลี้ยงความอยาก น, นี่คือเคล็ดลับของชีวิตความสุขของเรานี้อยู่ที่การมีน้อยยิ่งมีมากก็ยิ่งทุกมากมีน้อยก็ทุกน้อยไม่มีเลยก็ไม่มีทุกเลยการที่จะมีน้อยมีหรือไม่มีเลยนี้ใจต้องไม่ต้องใจต้องไม่มีความอยาก ใจต้องมีความสงบถ้าใจมีความสงบแล้วใจจะอิ่มเมื่ออิ่มแล้วก็ไม่ต้องมีอะไรเอพระพุทธเจ้าหลังจากออกจากวางมาแล้วไม่เคยกลับไปวางอีกเลยไม่เคยกลับไปหาทรัพย์สมบัติที่ทิ้งแล้วอยู่แบบไม่ต้องมีอะไรอยู่ตามมีตามเกิดจริงๆไม่มีกุติอยู่ก็อยู่ตามโคนไม้อยู่ตามเงื่อมผาอยู่ตามถ้า อยู่ตามเดือนล้างก็อยู่ได้อาหารก็แล้วแต่ไปบินตาบาตขอทานมาใครก็ให้แล้วมากินก็กินไปเอผ้าที่ใช้ห่มก็ไปเอาผ้าที่เขาทิ้งตามป่าชา้าผ้าหอ่อศพเอย่างที่เขาเรียกผ้าบางสกุลนี่คือผ้าหอ่อศพเอาผ้าที่สมัยก่อนเขาไม่เผาศพเขาไม่ฝังศพคนตายเขาเอาผ้าพันแล้วก็ไปทิ้งไว้ในป่าชา้า พอร่างกายมันมันเปื่อยมันผุมันพังไปผ้าก็ก็เอามาเก็บผ้านี่มาซักมาย้อมแล้วก็มาตัดมาเย็บเป็นจีวรของพระได้สมัยก่อนท่านอยู่กันแบบนี้ท่านอยู่แบบไม่ไม่เอาของที่ไม่มีใครต้องการแล้วสบายไม่ต้องไปแย่งกับใครไปเก็บของที่กองขยะไปเก็บของที่ป่าช้านี่ไม่มีไม่มีใครไปแย่งกัน แล้วก็ามาใช้ประโยชน์ได้เหมือนกันเหมือนกับเสื้อที่เราเสื้อผ้าที่เราไปซื้อเสียเงินทองต้องหลายร้อยหลายพันตามล้านกับผ้าหอ่หอห่อศพที่ทิ้งไว้ในป่าช้าก็เอามาทำเป็นเสื้อผ้าไว้สวมใส่ได้เหมือนกันอัน <Yeah. S 1> นี้คืออยู่แบบไม่มีอะไร อยู่แบบสบายใจต้องอยู่แบบไม่มีอะไรของไม่มีค่าไม่มีใครอยากจะมาขโมยผ้าของพระไปผ้าสมัยก่อ น, นอเป็นผ้าห่อศพเป็นผ้าที่เขาทิ้งอยู่ในป่าชาอยู่แล้วบาทก็ไม่มีใครเอาไปไม่รู้จะไปทาอะไรของสมบัติของพระไม่มีค่าเลยแต่มีประโยชน์สำหรับพระเพราะเป็นเครื่องมือหากินบาทมีไวหากินใเห็นม ผ้าห่อศพก็มาเป็นเสื้อผ้ามาเป็นจีวรไม่สวมใส่เป็นของมีคุณค่าสําหรับพระแต่ไม่มีคุณค่าสําหรับญาติโยม uh huh. เพราญาติโยมต้องการของหรูหรา uh huh. ของสวยๆงามๆ uh huh. เลยต้องเครียดกันกับการหาเงินหาข้าวหาของกันแทนที่จะมีความสุขกับการได้มีของใช้ดีๆของสวยๆงามๆของหรูหราใจกับเครียด กับการหาหามาก็เครียดได้มาก็เครียดต้องรักษาต้องคอยดูแลรักษาแล้วเวลามันหายไปก็เสียใจอมีแต่ปัญหาทั้งนั้นมีแต่ความทุกข์ใจทั้งนั้นไอ้เรื่องความเบาใจสบายใจนี้ไม่ค่อยมีเลยลองหัดอยู่แบบไม่มีหรืออยู่แบบของอยู่แบบอยู่กับของถูกๆดูแล้วจะสบายใจไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวละ ไม่มีใครอยากจะขโมยของที่มันถูกของที่ไม่มีใครก็อยากจะใช้กันนี่แหละคือคือความสุขของใจอยู่ตรงนี้ที่เกี่ยวข้องกับข้าวของเงินทองต่างๆต้องมีให้น้อยที่สุดเท่าที่จําเป็นจะต้องมีและให้มันเป็นของที่ถูกที่สุดของที่ไร้คุณค่าที่สุดเพราะมันปลอดภัยจากขโมยปลอดภัยจาก การที่ถูกคนนู้นคนนี้มาแย่งชิงไปถ้ามีของคุณค่านี้มันจะเอาวางไว้ตรงไหนก็กลัวหายจะเก็บไว้ตรงไหนก็กลัวหายและเวลาหายก็เสียใจต้องไปหาใหม่อีกพยายามใช้มักน้อยสันโดษถ้าเรามีมักน้อยสันโดษจิตใจของเราจะเบาจะสบาย บางน้อยก็เอาน้อยๆเอาของถูกๆแต่ใช้ได้ไม่ใช่ถูกแบบใช้ไม่ได้นะถูกแบบใช้ไม่ได้ก็อย่าเอาของที่ญาติโยมใส่กระแป้งสังฆทานเนี่ยมันถูกแล้วก็ใช้ไม่ได้ด้วยของบางทีมันจะมาใช้มันหักซะละใบมีก้อนี่พอจะมาใช้มันหักซะมันป้าชะเต็กเนี้ย มันถูกเกินไปถูกแต่ให้มันใช้ได้ใช้งานได้ถ้ามันถูกแล้วใช้งานไม่ได้ก็อย่าอย่าไปเอาแล้วก็สันโดษก็คือยินดีตามมีตามเกิดไดถึงแม้อยากจะได้น้อยแต่ถ้ามันได้น้อยกว่าน้อยก็ต้องยินดีสมมติว่าเรายินดีกินข้าววันละมือ้อแต่หากินได้สองวันได้กินสักมือ้อก็ต้องยินดีตามมีตามเกิดไป ถ้าเรายินดีตามมีตามเกิดแล้วใจเราจะสบายใจเราไม่เครียดถ้าเราจู้จี้จุกจิกนี่เราจะเครียดต้องได้เท่านั้นตน้องมีเท่านีา้พอไม่ได้ตามที่เราต้องการก็เครียดขึ้นมาไม่สบายใจขึ้นมาแต่ถ้ายินดีตามมีตามเกิดได้เท่าไหร่ก็ยินดีวันนี้ได้สิบบาทก็ยินดีพรุ่งนี้ได้ห้าบาทก็ยินดีมาเอนี้ได้ร้อยบาทก็ยินดี ถ้ายินดีแบบตามมีตามเกิดแล้วได้เท่าไหร่มันก็จะยินดีแต่ถ้าไปตั้งเป้าว้ว่าเดือนนี้ต้องได้หมื่นหนึ่งอพอเงินเดือนออกเขาตัดไปเหลือเก้าพันนี่ก็ววายขึ้นมา แ, แต่ถ้ายินดีตามมีตามเกิดแล้ว เ, เขาให้เก้พันก็เก้าพันวดีก็ไม่มีคิดอย่างนี้ไปแล้วใจเราจะไม่วุ่นวายจะไม่วุ่นวายได้ก็ต่อเมื่อเรามีความสงบในใจเรามีความอิ่มความพอ ถ้าเรามีความสงบความพอแล้วเราจะไม่ใช้เงินมากไม่ต้องใช้ของมากใช้เพียงแต่เลี้ยงดูร่างกายเท่านั้นเองสิ่งที่จำเป็นต้องเลี้ยงดูไม่ว่าจะเป็นใจของขใจของพุทธเจ้าถึงแม้จะไปถึงนิพพานแล้วก็ยังต้องเลี้ยงร่างกายเหมือนเหมือนกับพวกเราอยู่แต่ท่านก็เลี้ยงพอให้มันอยู่ไปได้วันๆหนึ่งเท่านั้นเองถ้าอยู่ได้ก็อยู่ถ้าไม่มีเลี้ยงมันจะตายก็ปล่อยมันตายไปท่านไม่เดือดร้อน เพราะท่านไม่ได้พึ่งร่างกายแล้วแต่การที่ท่านเลี้ยงดูร่างกายก็เพราะว่าท่านยังเอาร่างกายมาทำงานมาใช้ประโยชน์ได้เอามาเผยแผ่ธรรมะมาสั่งสอนธรรมะให้แก่ผู้อื่นได้ตอนนี้ไฟติดใช่ไหมะไม่ใช่มันเกิดอะไรขึ้นดับแล้วเพราะไม่งั้นเดี๋ยวไ ฟ, ไฟแบตเตอรี่มันจะหมด สรุปก็คือถ้าเราไม่มีความสงบใจจะอยากใจจะหิวได้เท่าไหร่ไม่มีวันอิ่มไม่มีวันพอถ้าใจสงบแล้วใจจะไม่หิวใจจะไม่อยากใจไม่ต้องมีอะไรก็อยู่ได้ถ้าไม่มีอะไรแล้วนั่นละสบายที่สุดเพราะไม่มีอะไรจะต้องหวงไม่มีอะไรต้องหวงไม่มีอะไรต้องกังวลตอนที่เราเป็นเด็กนี่เราสบายกว่าตอนนี้ม ตอนเป็นเด็กนี่ไม่ต้องห่วงอะไรเลยเนยไม่มีอะไรบ้านก็ไม่ใช่ของเราบ้านก็ของพ่อของแม่อาหารก็ไม่ต้องหามีคนหาให้กินไม่ต้องมีสมบัติไม่ต้องมีอะไรไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงแลแ้ก det, วก <Mart> ็ไม่ต้องอยากเพราะอยากก็หาไม่ได้อยู่ดีตอนเป็นเด็กอยากจะได้ละมันก็หาไม่ได้มันก็เลยไม่ค่อยอยากมันก็อยู่ตามมีตามเกิดแล้วแต่พ่อแม่จะหามาให้ พอแม่หาอะไรมาให้ก็ดีใจใช่ไหะแต่พอเราโตขึ้นมาแทนที่เราจะสบายเหมือนตอนเป็นเด็กเรากลับเครียดมากกว่าตอนเป็นเด็กใช่ไหทุกมากกว่าตอนเป็นเด็กเพราะตอนว่าตอนเป็นเด็กเราอยู่แบบมักน้อยสันโดดได้อยู่ตามมีตามเกิดได้พอโตเป็นเป็นผู้ใหญ่หาอะไรทำอะไรเองได้ทีนี้ความอยากมันเข้ามาแล้ว ความอยากมันจะบอกต้องมีเท่านั้นต้องมีเท่านี้เออพอได้เท่านั้นเท่านี้มันก็บอกต้องเพิ่มแล้วแค่นี้ไม่พอต้องเพิ่มไปได้เรื่อยอตอนต้นก็อยู่คนเดียวเดี๋ยวก็ต้องมีแฟนแล้วเดี๋ยวต้องมีครอบครัวแล้วมีลูกมีสมบัติแล้วของที่มีนี่มันเป็นอะไรละ่ะมันเป็นความทุกข์หรือเป็นความสุขต้องคอยกังวลหรือเปล่าต้องคอยห่วงหรือเปล่าต้องห่วงหรือเปล่า มีอะไรแล้วมันจะต้องเพิ่มความทุกข์ให้ในใจเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆตอนเป็นเด็กนี่สบายเพียงแต่ห่วงเรื่องกินอย่างเดียวเมื่อไหร่จะได้กินทันทีพอได้กินเสร็จก็นอนสบายจบนี่พอโตขึ้นมาแล้วกินแล้วนอนไม่หลับเพราะเครียดก็กังวลห่วงคนนั้นห่วงคนนี้มีอะไรก็ต้องคอยห่วงคอยดูแลรักษาแล้วดูแลยังไงไม่ช้าก็เร็วมันก็ต้อง หายไปมันก็ต้องจากเราไปอยู่ดีอันนี้เป็นสิ่งที่เราไม่เคยคิดกันเราทำไปแบบไม่คิดเลยว่าเรากำลังทำอะไรกันเรากำลังหาความสุขหรือเรากำลังหาความทุกข์กันไม่เคยประเมินผลเลยว่าสิ่งที่เราหามานี้มันให้สุขกับเรากี่กี่กิโลให้ความทุกข์กับเรากี่กิโลไม่เคยเอามาชั่งน้ำหนักดูเลย ถ้าเราเอามาชั่งน้ําหนักดูว่าไม่เอาดีกว่าได้ความสุกกิโลหนึ่งแล้วต้องมาทุกข์กับมันสิบกิโลได้ลูกมาคนดีใจตอนที่มันคลอดออกมาแล้วก็ต้องมาทุกข์กับมั น, นจนวันตายนะคิดดูนะทุกข์กับมันกี่กี่กิโลกันไม่เราคิดกันไม่เป็นถูกความหลงหลอกให้เรา เห็นแต่ความสุขไม่เห็นความความทุกข์ที่พ่วงท้ายตามมาด้วยเราก็เลยเราก็เลยได้ความทุกข์มาเยอะแยะกันโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจที่จะเอามันแต่มันเป็นเหมือนเงาตามตัวของความสุขที่เราหากันหาความสุขจากอะไรแล้วความทุกขก์จากสิ่งนั้นก็จะมีมาเพราะเราได้อะไรมาเราก็จะรักจะหวงจะหวงจะไม่อยากจะเสียอยากจะให้มันดีอย่างเดียว แต่ของทุกอย่างมันจะต้องเสื่อมมันจะต้องเสียไปในที่สุดไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามถ้าเรามีปัญญาเราคิดเป็นว่าเห็นว่าทุกอย่างเป็นของชั่วคราวเป็นของที่จะต้องเสื่อมอย่าไปมีมันดีกว่าเอาของที่ถาวรดีกว่าของที่ไม่เสื่อมไม่หมดของที่ให้ความสุขของเราอย่างแท้จริงตลอดเวลาก็คือความสงบนี่ มาทำใจให้สงบตลอดเวลาดีกว่ามาพุโทโธพุโทโธกันมานั่งสมาธิกันมาสอนใจด้วยปัญญาว่าทุกอย่างในโลกนี้เป็นความสุขปลอมเป็นความทุกข์จริงได้มาแล้วจะต้องทุกข์กับสิ่งที่เราได้มาเสมอไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามตอนที่เราอยู่คนเดียวนี่เราทุกข์กัแค่ร่างกายของเราคนเดียวพอเรามีแฟนก็ต้องไปทุกข์กับแฟนพอมีลูกก็ต้องไปทุกข์กับลูก พอมีสมบัติก็ต้องทุกข์กับสมบัติมีบ้านก็ต้องทุกข์กับบ้านมีรถก็ต้องทุกข์กับรถมีอะไรก็ต้องทุกข์กับมันเพราะจะต้องคอยดูแลมันคอยรักษามันแล้วดูแลยังไงรักษาไปยังไงเดี๋ยวมันก็เดี๋ยวมันก็พังเดี๋ยวมันก็เสียเดี๋ยวมันก็หมด <c oughs> งั้นอย่าไปมีอะไรไม่ดีกว่าเลยอยู่กับความสงบเพียงอย่างเดียวก็พอ งั้นมาฝึกสติกันมาทําใจให้สงบกันดีกว่าพุโทโธพุโทโธอยู่เรื่อยๆถ้าเวลาที่มันไม่คิดเราก็หยุดพุดโทโธได้แต่ช่วงใหม่ๆนี้มันจะคิดเราก็ต้องขยันพุโทโธกันพอเราพุโทโธไปจนกระทั่งหยุดความคิดได้เราก็ไม่ต้องพุโทโธเราก็เพียงแต่คอยดูว่ามันคิดหรือเปล่าถ้ามันคิดก็สั่งให้มันหยุดคิดถ้ามันหยุดคิดก็ไม่ต้องพุโทโธ ถ้าบอกให้มันหยุดคิดแล้วมันยังคิดอยู่ก็ต้องใช้พุทโธแค่นี้เองแล้วต่อไปใจเราจะว่างจะเย็นจะสบายความเครียดที่เกิดจากความอยากต่างๆจะไม่เกิดเพราะใจมีความสบายมีความสุขแล้วก็ไม่ต้องไปหาอะไรมามาให้ความสุขกับใจแต่ถ้าใจไม่สงบนี้ใจมันจะหิว มันจะไม่มีความสุขในใจมันก็จะต้องพยายามไปหาสิ่งนั้นสิ่งนี้หาบุคคล น, นั้นบุคคล น, นี้มาให้ความสุขพอมาได้มันมาแล้วก็ต้องมาเครียดกับสิ่งที่เราได้มาพอเราได้มาแล้วก็ต้องอยากจะให้มันอยู่กับเราไปเรื่อยๆไม่อยากจะให้มันจากเราไปเราก็ต้องคอยเฝ้าคอยดูแลคอยรักษาแล้วขณะที่ดูแลรักษาก็เครียดกังวล และเวลาหายไปจากไปก็เสียใจเพราะใจเราไม่มีความสงบใจเราไม่มีความสุขใจเรามีแต่ความอยากมีแต่ความหิวถ้าใจไม่สงบมันก็จะอยากถ้ามันสงบมันก็จะไม่อยากถ้าสงบแล้วมันก็จะไม่อยากได้อะไรไม่อยากมีอะไรเพราะมันอยู่มันมีความสุขโดยที่ไม่ต้องมีอะไรแล้วเรื่องอะไรจะต้องไปหาอะไรมาให้วุ่นวายใจเปล่าๆพราะเวลาหามันก็วุ่นวายแล้ว กว่าจะได้มานี้ก the ็เหนื่อยแสนเหนื่อยกว่าจะได้อะไรมาสักอย่างนี้ก็ต้องไปหามากว่าจะหามาได้บางทีก็ยากบางทีก็ง่ายแต่ก็ต้องเหนื่อยเหนื่อยมากเหนื่อยน้อยก็ต้องเหนื่อยพอได้มาแล้วก็ต้องมาเหนื่อยเหนื่อยกับการดูแลรักษาต้องมาเหนื่อยกับความห่วงความหวงแล้วก็เวลาเขาจากเราไปก็ต้องมาเสียใจทุกใจ แต่ถ้าใจสงบก็จะไม่มีความอยากได้อะไรอยู่คนเดียวได้อยู่กับอยู่กับอยู่กับศูนย์ได้อยู่กับความไม่มีได้ศูนย์ก็คือไม่มีอะไรเนี่ยพระพุทธเจ้าทําไม่มีอะไรสมบัติที่ท่านมีก็เป็นสมบัติสําหรับใช้กับร่างกายคือคืออัตมาบริขารเช่นบาทจีวรเท่านั้นเองถ้าไม่มีก็ไม่เดือดร้อนไม่มีก็ปล่อยให้ร่างกายมันตายไป เพราะว่าไม่ช้าก็เร็วร่างกายมันก็ต้องตายอยู่ดีแต่ถ้ามันยังอยู่ได้ก็เลี้ยงมันไป <c oughs> เพราะท่านเอาร่างกายมาทำประโยชน์ได้ทำประโยชน์ให้กับคนอื่นไม่ได้ทำประโยชน์ให้กับตนเองตนเองมีประโยชน์เต็มที่แล้วใจมีความสุขเต็มที่แล้วใจสงบตลอดเวลาแล้วไม่ต้องมีอะไรมาดูแลตนเองแต่ที่มีร่างกายเพื่อจะได้ใช้ร่างกาย <c oughs> นี่ไปสอนธรรมะให้กับคนอื่นเพื่อให้คนอื่นจะได้รู้ว่าปัญหาที่แท้จริงอยู่ตรงไหนแล้ววิธีแก้ปัญหาแก้อย่างไรถ้าเราไม่มีพระพุทธเจ้ามาสอนพวกเราพวกเราจะไม่มีวันรู้พวกเราก็จะแก้ปัญหาแบบผิดแทนที่จะกําจัดต้นเหตุของปัญหากลับไปส่งเสริมต้นเหตุของปั ญ, ปญหาคือความอยากแทนที่จะตัดความอยากกลับไปเพิ่มความอยาก มันก็เลยทุกเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆไม่มีวันไม่มีวันจบไม่มีวันสิ้นนี่ยดัง้นฝึกสติสตินี่สำคัญที่สุดอย่าเพิ่งไปกังวลกับเรื่องปัญญาเรื่องสมาธิเอาสติก่อนลืมตาขึ้นมาก็พุทธถ้ามันคิดก็พุทธโธสู้กับมันไปเลยถ้ามันคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ที่เราไม่จำเป็นจะต้องคิดก็พุทโธพุทโธไปอย่าให้คิดเวลาทาหน้าที่ ชำระร่างกายดูแลร่างกายเลี้ยงดูร่างกายก็พุทโธพุทโธไปถ้ามันจะคิดถ้ามันไม่คิดก็ไม่ต้องพุทโธแล้วพอไม่มีเวลาว่างก็นั่งหลับตาให้มันนิ่งเฉยเฉยให้มันสงบแล้วมันจะมีความสุขมากการมีสติก็มีความสุขแต่สุขน้อยกว่าความสุขที่ได้จากการนั่งสมาธิความสุขจากการมีสติก็อาจจะห้าสิเปอร์เซ็นต แต่ถ้านั่งเฉยๆนั่งสมาธิสงบนี่มันจะมีความสุขเต็มร้อยเลยมันจะทำให้อิ่มให้พอมันจะไม่อยากได้อะไรแต่มันจะสงบได้ชั่วคราวพอออกมามันก็จะมันก็จะเริ่มวุ่นมันจะเริ่มคิดพอเริ่มคิดแล้วเดี๋ยวมันก็เริ่มอยากขึ้นมาถ้าอยากจะหยุดความอยากอย่างถาวรก็ต้องใช้ปัญญาสอน ว่าการทำตามความอยากนี้มันเป็นภัยมันเป็นทุกข์มันนำภัยสู่นำเราไปสู่ความทุกข์ต่างๆทุกข์กับสิ่งที่เราอยากได้นั่นแหละไม่ได้ทุกข์กับอะไรหรอกพอได้อะไรมาแล้วเราก็ต้องทุกข์กับมันถ้าไม่มีมันเราก็ไม่ทุกข์นี่อย่าไปมีอะไรดีกว่าอย่าไปอยากได้อะไรดีกว่าถ้าเห็นด้วยปัญญามันก็จะหยุดความอยากได้ พออยู่ความอยากต่อไปก็จะไม่มีอะไรมากวนใจมาทำให้ใจวุ่นวายมาทำให้ใจเครียดแล้วต่อไปใจก็จะมีความสงบตลอดเวลามีความสุขตลอดเวลาโดยที่ไม่ต้องเข้าไปในสมาธิพอไม่มีความอยากแล้วใจก็เหมือนอยู่ในสมาธิความอยากนี้เป็นเหมือนไฟพอดับไฟแล้วมันก็จะเย็น พอไม่มีไฟใจก็จะเย็นพอมีความอยากใจก็จะร้อนขึ้นมาพอเราดับไฟได้ดับความอยากได้ใจก็จะเย็นโดยที่ไม่ต้องหลบเข้าไปอยู่ข้างในห้องแอร์ก็ได้เพราะข้างนอกกับข้างในมันเย็นเท่ากันนี่คืองานที่เราควรมากระทำกันซึ่งเป็นงานที่ทุกคนสามารถทำได้ไม่ใช่เป็นเรื่องสุดวิสัยคิดคำว่าพุโทโธนี้มันคิดได้กันทุกคนไม่ใช่เหรอ มันมยากเย็นตรงไหนเลยเป็นแต่ขี้เกียจคิดกันนั่นเองชอบไปคิดถึงเรื่องเงินทองคิดถึงที่เที่ยวที่กินที่ดื่มมันมากกว่าพอคิดถึงพุโทโธแล้วคิดไม่ออกกันไม่อยากจะคิดกันนั่นเองแต่เราต้องบังคับว่าพุโทโธนี่มีคุณค่าราคามีความสุขมากกว่าสิ่งต่างๆที่เราคิดกันที่อยากได้กันคิดเอาพุโทโธดีกว่าเราจะได้ความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวง ลองทำไปถ้าเราตั้งใจทำพยายามทำจริงๆเดี๋ยวก็ทำได้มีคนที่ทำได้มีเยอะแยะไปภาษาบกของพระพุทธเจ้าก็เป็นพวกเรานี่แหละที่เมื่อก่อนก็คิดแบบนี้แต่พอพระพุทธเจ้าสอนบอกให้คิดพุทธโธเขาก็ไปหัดคิดกันหัดพุทธโธกันพุทธโธพุทธโธไปแล้วเดี๋ยวท่านก็หยุดความคิดได้หยุดความอยากได้แล้วก็สอนใจให้เห็นโทษของความอยากท่านก็หลุดพ้นจากความทุกข์ได้ อยู่อย่างไม่ต้องมีอะไรได้อยู่อย่างมีความสุขทุกคนทำได้ไม่ว่าจะเป็นหญิงเป็นชายเป็นนักบวชหรือเป็นกรรวาผู้ครองเรือนเป็นเด็กหรือเป็นผู้ใหญ่เพราะใจนี่มีอายุเท่ากันใจไม่แก่กว่ากันไม่อ่อนกว่ากันใจนี้มีอายุไม่รู้กี่แสนล้านปีแล้วที่บั็นต่างกันก็ต้องต่างกันที่ร่างกายนี้ท่านเองเพราะมาเกิดก่อนเกิดหลังเท่านั้นเอง แต่เรื่องของใจนี่มันมีอายุที่เท่ากันทุกคนมีความสามารถที่ที่เท่ากันหมดถ้าจะทำก็ทำได้ถ้าไม่ทำก็ทำไม่ได้เท่านั้นเองเะฉะนั้นพยายามเตือนใจสอนใจให้มาทำสิ่งที่มีคุณค่าประโยชน์กับใจดีกว่าเป็นสิ่งที่เราจะได้ เป็นสมบัติของเราตลอดไปไม่มีวันสิ้นสุดสิ่งอื่นที่มีอยู่ในโลกนี้หามาได้ท่าไหลายเดี๋ยวก็ต้องสูญเสียไปหมดอย่าไปหาให้เหนื่อยให้เสียเวลาเลยหาหาสิ่งที่จะอยู่กับเราเป็นของเราไปตลอดดีกว่าแล้วเราจะได้ไม่ต้องไปหาอะไรมาให้เหนื่อยอีกต่อไปเอาแล้วนะวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็จะขออนุโมทนาให้พร ยะถาวารีวาหาปุราปริกปุเรนติสาครลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปการปฏิอิจิตังปฏิตังต um ุมหังกิพะเมวะสมิจโตสะเพปุเรนตุสังกปา จันโทปนาราโสยธามณิโชติหราโสยธาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพโรโควินาศตุมาเตภวตวันตาราโยสุขีทีคายุโกภวะ อภิวาทนาสีลิธสานิจจังวุธาปจายิโนจตารโหธรรมวัฏฐานติอายุวันโอสุขังภาลางอันนี้เข้ามาเท่าไหร่วันนี้ทาง Facebook เข้ามา417 YouTube 95 วิทยุสิบห้ารับฟังข้างบนนี้สี่สิบสี่คนทั้งหมดเป็นห้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ดครับโ <Okay. S 2> อเคคำถามจากคุณเอครับขอกับเรียนถามพระอาจารย์ในเมื่อขันห้าไม่ใช่เราแล้วใครเป็นผู้เวียนไหวตายเกิดครับใจไงใจผู้ที่มามาได้ขันห้าคือได้ขันเดียว อีกสี่ขันอยู่กับใจนามขันไี้อยู่ที่ใจแล้วก็รูปขันคือร่างกายใจที่มีขันสี่มีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นผู้ที่มามาได้ร่างกายแล้วก็ใช้ร่างกายนี้ทำตามความอยากต่างๆพอร่างกายนี้ตายไปใจก็ไปหาร่างกายอันใหม่โดยใช้ นามาขันเป็นตัวทำงานของใจเป็นผู้ทำงานให้กับใจมีวิญญาณขันไปเกาะติดที่ร่างกายที่ตาหูจมูกลิ้นกายเพื่อรับรู้รูปเสียงกลิ่นรสที่เข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายพอรับรู้เสียงกลิ่นรสแล้วก็เกิดสัญญาขึ้นมาว่าเป็นรูปเสียงกลิ่นรสอะไรดีหรือไม่ดีชอบหรือไม่ชอบพอเกิดความชอบหรือไม่ชอบขึ้นมาก็เกิดเวทนาขึ้นมา ถ้าชอบก็สุขถ้าไม่ชอบก็ทุกข์เนีพอเกิดเวทนาขึ้นมาสังขารก็ปรุงแต่งถ้าถ้าเป็นเวทนาดีก็อยากจะได้เห็นทองเห็นเงินก็อยากจะได้เห็นขโมยเห็นคนที่จะมาตามฆ่าเราก็อยากจะวิ่งหนีถ้าเห็นภัยก็อยากจะวิ่งหนีเห็นสิ่งที่มีคุณกับเราก็อยากจะอยากจะได้มาสังขารก็คิดปรุงแต่งไป นี่ก็คือการทำงานของขันห้าคำถามจากคุณสุริยาขั้นต้นของการเริ่มปฏิบัติคือการเจริญสติการบริกรรมพุทโธเพื่อหยุดความคิดโดยจะปฏิบัติงานการอะไรก็ได้ใช่ไหมเจ้าคะยังไม่ต้องนั่งสมาธิใช่ใชถ้ายังไม่มีสตินั่งก็ไม่ได้ผลอยู่ดี ต้องควบคุมควาคิดให้ได้ก่อนหยุดความคิดให้ได้ก่อนแล้วค่อยนั่งแต่จะลองนั่งบ้างก็ได้เผื่อมันอาจจะหยุดแล้วได้ก็ได้เราอาจจะไม่รู้ก็ได้ถ้ามีเวลาว่างแทนที่จะไปนั่งกินกาแฟนั่งดูทีวีนั่งเปิดดูไลน์หรืออะไรก็ลองนั่งหลับตาแทนจะดีกว่าลองนั่งฝึกสมาธิไปถ้ามีเวลาว่างคาถามจากคุณเอกรินขอกราบเรียนถามพระอาจารย์ สติอยู่ส่วนไหนของขันท่าครับ อ, อ๋อไม่ใช่ไม่ขันทาไม่ใช่สติสติเป็นผู้ควบคุมขันอีกทีหนึ่งควบคุมสัญญาสังขารขันเหมือนกับรถยนต์ส่วนสติเป็นเหมือนคนขับรถยนต์ผู้ควบคุมรถยนต์คําถามจากคุณวรพันธ์เราจะทํากรรมฐานอย่างไรให้จิตจางคลายจาก ว่ากายนี้ไม่ใช่ของเราปกติได้ทำสมาธิได้ระดับหนึ่งแล้วค่อยวิปัสสนากา ย, ยานุสติให้เห็นความเน่าเปื่อยของกายแต่ทำไมจิตยังยึดกับกายอยู่เจ้าคะก็ยังไม่เห็นจริงไงต้องคิดบ่อยๆต้องไปดูของจริงบ้างไปดูคนตายบ้างไปดูอะไรบ้างแล้วก็เอาคนล่างของคนตายกับร่างกายของเรามาเปรียบเทียบกัน ว่าต่อไปร่างกายของเราก็จะต้องเป็นร่างกายของคนตายแล้วต่อไปมันก็จะปล่อยได้แต่จะปล่อยจะแต่จะรู้ว่าปล่อยได้ไม่ได้ก็ต้องไปเจอปัญหาถึงยบรู้ันจะรู้ว่าร่างกายจะตายไปหาหมอหมอบอกเป็นมะเร็งถ้าถ้าปล่อยได้ใจก็จะเฉยถ้าใจเครียดใจทุกขึ้นมาก็สแสดงว่ายังปล่อยไม่ได้ถ้าปล่อยไม่ได้ก็อาจจะเป็นเพราะสติหยุด หยุดไม่หยุดความอยากไม่ได้หยุดกิเลสไม่ได้หยุดความความผูกพันไม่ได้ก็ต้องไปทำสมาธิต่อสมาธิยังไม่เต็มกำลังยังไม่เต็มร้อยถ้ายังจิตไม่รวมเป็นอัปปนาสิยังสติสมาธิยังไม่เต็มร้อยจะเรียกว่าสมาธิก็สมาธิอ่อนๆที่ไม่มีกำลังพอที่จะปล่อยวางร่างกายได้คาถามจากคุณจันภา พระอาจารย์ครับบางคนอายุยืนบางคนอายุสั้นอะไรเป็นเหตุให้อายุไขของคนเราแตกต่างกันครับลมหายใจไงคนไหนหายใจได้นานก็อายุยา <c oughs> คนไหนห า, ายใจไม่ได้นานก็อายุสั้นก็อยู่ที่ลมหายใจนี่แหละมันอยู่ที่ไหนล่ะถ้าคุณหายใจไปได้เรื่อยคุณก็จะอยู่ไปได้เรื่อย ถ้าคุณอยู่หายใจเมื่อไหร่คนก็จะตายเมราะนั้นออันนี้เป็นเหตุโดยตรงแต่มีเหตุอื่นด้วยเหตุอื่นก็มีหลายอย่างวิธีดูแลเลี้ยงดูร่างกายของคุณก็ทําให้คนอยู่สั้นหรืออยู่ยาวใช่ไหมคนดื่มเหล้าสูุโุหรี่กับคนที่ไม่ดื่มเหล้าสูุโขเรี๋มันก็อยู่สั้นยาวต่างกันออคนกินของมันมั น, มนกินของห ว, วานหวานน้ําหนักเกินเอ กับคนที่น้ำหนักไม่เกินนี่มันก็อยู่สั้นอยู่ยาวต่างกันมันมีหลายสาเหตุด้วยกันนอกจากนั้นก็ยังมีเหตุอุปัติเหตุอันนี้ช่วยไม่ได้มันดีก็ดีเดินไปรถโดนรถเขาชนเราอยู่อย่างนี้มันก็เป็นเรื่องของอุบัติเหตุเอีกเรื่องก็เป็นเรื่องของกรรมเก่าที่เคยทำมาทำมาทากรรมเก่ามีผู้จองเวรจองกรรมพอก็เจอเราเขาก็ค่าเราเลยอันนี้ก็เป็นเรื่องของกรรม เพราะยังมีหลายสาเหตุด้วยกันกราบนมัส ก, การครับประจำวันผมคอยท่องพุทธโธไว้ในใจและพอจิตส่งออกนอกก็คอยตามรู้พอรู้แล้วจิตก็กลับมาดูไปอย่างนี้เรื่อยๆเห็นเกิดดับของจิตที่ส่งออกแบบนี้ถือเป็นวิปัสสนาไหมครับหรือแค่เป็นการทำสมาธิไม่เป็นอะไรทักอย่าง เป็นจับฉัยสมาธิก็ไม่สมาธิจะเป็นวิปัสสนาก็ไม่เป็นวิปัสสนาถ้าเป็นสมาธิก็ต้องให้จิตไม่ส่งออกให้มันอยู่ข้างในให้อยู่นิ่งเฉยๆถ้าเป็นวิปัสสนาก็ต้องรู้ว่ามันมันมันเกิดดับแล้วก็ต้องหยุดมันได้ไม่ไปยึดไปติดมัน เพราะฉะนั้นมันยังมันเป็นจับใยสมาธิก็ไม่ใช่ปัญญาก็ไม่ใช่ถ้าเป็นปัญญามันจะไม่ทุกข์กับการเกิดการดับของสิ่งต่างๆถ้ายังทุกข์อยู่กับการเกิดการดับอยู่ก็แสดงว่ายังไม่ใช่วิปัสสนาเพราะฉะนั้นมันเป็นแบบว่าแบบมวยวัดน่ชกแบบไม่มีแบบไม่มีฉบับนึกอยากจะชกก็ชกนึกอยากจะหยุดก็หยุดนี่มันต้องทาเป็นเป็นแบบชเป็นฉบับมันมีขั้นมีตอน ขั้นแรกต้องหยุดใจหยุดความคิดให้ได้ก่อนทําใจให้สงบให้ได้ก่อนขั้นที่สองก็ไปสอนใจให้รู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีเกิดมีดับเวลาดับก็อย่าไปทุกข์กับมันปล่อยมันดับไปถ้ายังทุกข์อยู่ก็แสดงว่ายังไม่วิปัสสนาถ้าเห็นอะไรดับเราไม่ทุกข์กับมันก็แสดงว่าเป็นวิปัสสนาเหตุถูกเขาไล่ออกจากงานก็ไม่ทุกข์นี่วิปัสสนาเอาดีใจได้ไปบวชแล้วอืเมื่อก่อนไม่มีเหตุ พอไม่มีงานทำจะทําไงก็ต้องไปบวชไงใช่ไหมถ้าอยากจะไปบวชก็ต้องลาออกจากงานหรือให้เขาไล่ออกจากงานพอไม่มีงานทํามันก็จะได้ไปบวชได้ถ้าเป็นถ้าเป็นวิปัสสนาก็จะไม่ทุกข์กับการสูญเสียอย่าไปดูจิตที่มันเกิดดับเกิดดับอันนี้มันไม่มีน้ําหนักอะไรมันหลอกเราให้ดูของที่มันดับแล้วมันมีผลกระทบกระเทือนกับจิตใจเราดีกว่า เช่นเงินดับเงินหมดอย่างเงี้ยหรือแฟนทิ้งเราอย่างเงี้ยดูตรงนั้นดีกว่าไปดูนั่งแล้วนั่งเฝ้าดูจิต ด, ดับจิตเกิดอย่างั้นไม่มีปัญหาอะไรหรอกใช่ไหม อันนั้นเป็นวิปัสสนาแบบไม่มีไม่มีความหมายอะไรไปดูสิ่งที่มันไม่มีผลกระทบต่อใจอย่าไปดูให้มันเสียเวลาต้องดูกับสิ่งที่มันมีผลกระทบเกิดจิตใจเราคือร่างกายของเราเนี่ยเป็นอะไรหน่อยนี่เป็นยังไงสิวฟ้าขึ้นมาเม็ดหนึ่งมันเป็นยังไงออไปดูให้เกิดดับในใจดูมันทำไมดูสิวฟ้าเนี่ยมันเกิดที่หน้าเราดีกว่าดูแล้วใจเราเป็นยังไงเกิดแล้วทุกข์งไหมอ่ ถึงจะเรียกว่าวิปัสสนาคำถามจากคุณวีรวิทย์กราบนมัส ก, การพระอาจารย์ครับบางครั้งนั่งฟังพระอาจารย์กำหนดลมหายใจสบายๆเหมือนจิตนิ่งกายสบายเบาจิตรวมได้ดีแต่พอกลางคืนตอนนั่งสมาธิอยากนั่งมาก บางครั้งกลับทำได้ไม่ดีเป็นเพราะอะไรครับเพราะความอยากไงเวลานั่งอยากให้มันสงบมันก็จะไม่ทำใจให้สบายความอยากมันจะกลับทำให้ใจเครียดในเวลานั่งก็อย่าไปอยากให้มีอะไรทําอย่างตอนที่เรานั่งฟังเทศแล้วก็ฟังไปดูลมไปเวลาเรานั่งคนเดียวไม่มีเสียงเทศแล้วก็ดูลมไปอย่างเดียวแต่อย่าไปอยาก ดูลมไปแล้วก็อยากเมื่อไหร่จะสงบ ท, ทีว้อย่างนี้มันก็ไม่มีวันที่จะสงบได้คำถามจากคุณสาลินีศีลห้าทำห้าศีลแปดทำแปดขอความกรุณาพระอาจารย์ช่วยกรุณาอธิบายให้ชัดเจนด้วยค่ะโยมกำลังฝึกไม่มีหรอกทำห้าทำแปดมีแต่ศีลห้าศีลแปด ไม่รู้ทำห้าทำแปดไปยไังไงไม่รู้เพิ่งได้ยินวันนี้คำถามจากคุณชัยกราบเรียนถามคนที่ทำบุญมาบ้างสังสรรค์ทางโลกบ้างประสบอุบัติเหตุขณะกำลังอยู่ในอาการเมาสุราจะไปเกิดในอบายภูมิไหมครับอ๋อแล้วแต่ว่าเวลาตายไปบาปกระบุญอันไหนมีกำลังมากกว่ากันถ้าบาปมีกำลังมากกว่าก็ไปอบาย ถ้าบุญมีกำลังมากกว่าก็ไปสวรรค์ถ้าบาป ก, กับบุญเท่ากันก็กลับมาเป็นมนุษย์คำถามจากคุณไพโรธการทำสมาธิด้วยการดูลมหายใจกับการทำสมาธิด้วยการบริกรรมพุทโธมีแตกต่างกันไหมครับและการทำสมาธิทั้งสองแบบ ส่งผลต่อการวิปัสสนาแตกต่างมันอย่างไรบ้างครับเอไม่ต่างผลที่จะได้ก็คือสงบเหมือนกันดูลมก็สงบพุทโธก็สงบแล้วแต่ความถนัดคนถนัดพุทโธก็ใช้พุทโธคนถนัดลมก็ใช้ลมไปเหมือนกินกว๋วยเตี๋ยวก ก, กินก้าผัดเนี่ยมันก็อิ่มเหมือนกันใช่ไหมกินเสร็จมันก็อิ่มเหมือนกันคําถามจากคุณอัครวิทย์ขอโอกาสถามพระอาจารย์ครับตอนนั่งสมาธิ จะใช้วิธีดูลมแต่ตอนใช้ชีวิตประจำวันใช้วิธีท่องพุโทโธแบบนี้ใช้ได้ไหมครับหรือต้องเอาอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น อ, อ๋อได้เวลาใช้เวลาทํางานต้องใช้พุโทโรธรือใช้ดูเหตุการณ์ที่เราพลังทําอยู่อย่าไปดูลมเพราะดมดูยากมันละเอียดมองไม่เห็น ก็ดูร่างกายเวลาร่างกายเดินก็ดูกําลังเดินซ้ายขวาซ้ายขวาไปก็ได้หรือพุโทโธพุโทโธไปก็ได้คือเป้าหมายก็คืออย่าปล่อยให้ใจคิดเลื่อยเปื่อยเท่านั้นเองการที่เราฝึกสตินี้เพื่อหยุดความคิดงั้นวิธีไหนที่ทําให้เราหยุดความคิดได้ก็ใช้ได้บางคนคิดถึงความตายความตายอยู่เรื่อยๆมันก็หยุดความคิดได้หยุดความอยากได้ตายแล้วไม่รู้จะเอาอะไรไปเอาอะไรไปไม่ได้ไม่รู้จะอยากไปทําไมกินอย่างนี้ก็ได้ นี้เขเรียกว่ามรณาอนุสติใช้สติเป็นตัวเจริญใช้ตัวความตายเป็นตัวเจริญสติแต่นี้มันปัญญาขมคนบางคนไม่ชอบพอคิดถึงความตายแล้วใจหดหูก็เลยต้องใช้พุโทโธแทนใช้ได้แทนกันได้ของพวกนี้มีเขาเรียกว่ามีอนุสติสิ บ, ส, บสิบประการด้วยกันอานาปนสติก็ละเลิกรู้อยู่กับลมหายใจเข้าออกพุทธานุสติก็ละลกรู้อยู่กับพุโทโธ ธรรมานุสติก็ระลึกอยู่กับธรรมโมสังขานุสติก็อยู่กับสังโฆแล้วก็มรณานุสติก็อยู่กับความตายเลื้อกายากตาสติก็อยู่กับการอยู่กับร่างกายคอยดูว่าร่างกายกําลังทาอะไรอยู่ เทวานุสติก็แล้วเลิกถึงเทวดาก็ได้เทโวเทโวคิดถึงเทวดาบางคนชอบเทวดาคิดถึงเทวดาแล้วมีความสุขก็เอาเทวดามาเป็นตัวคิดก็ได้แม่ตะเขียนแม่ตะเขียนนี้ <laughs> <laughs> ก็คิดได้ <laughs> อ้าวนี่ก็เทวานุสติ <laughs> หมดแล้วเลยออาคิดอะไรก็ได้เพื่อให้เราหยุดคิดถึงขนมคิดถึงเงินคิดถึงทองคิดถึงแฟนเอ่าคิดถึงพวกนี้แล้วมันทําให้เราเครียดคิดถึงเทวดาแล้วทําให้เราสงบคิดถึงพระพุทธเจ้าแล้วทําให้เราสงบคิดถึงความตายแล้วทําให้เราสงบแล้วก็คิดไปแต่ละคนจะชอบไม่เหมือนกันไงเลยต้องใช้สิ่งที่ชอบเหมือนกินอาหารเนี่ยบางคนก็ชอบลาบบางคนก็ชอบส้มตํา มัคนก็ชอบก๋วยเตี๋ยวางคนก็ช อ, บ, บ, ชอบพิซซ่าอัานนี้มันจะกินเหมือนกันได้ไงแต่เวลากินแล้วมันก็อิ่มเหมือนกันใช่ไหมอ่าต่อไปคำถามจากคุณมีมกราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะดิฉันจะทำบุญถวายผ้าไตรจีวรหนึ่งชุดอุทิศไปให้แม่และบรรพัุรุษ แต่ในใจดิฉันอยากทำให้แม่คนเดียวถ้าให้บันพบรุษ ด, ด้วยแม่จะไม่ได้เต็มต้องแบ่งให้บันพบรุดด้วยดิฉันคิดอย่างนี้ผิดไหมคะแล้วบุญนี้ทำแล้วสมมุติทำบุญเงิน100บาทอุทิศให้แม่และพ่อญาติจำนวนเงินแบ่งไปลดลงไหมหรือว่าทุกคนได้หนึ่งรเท่ากันหมดคะอ๋อมันก็ต้องแบ่งนั่นแหละ นั้ก็ทำบาทเดียวก็ยิ่งทำมากมันก็มันก็บุญมากแล้วแต่ถ้าต้องมีคนรับบ้างมันก็ต้องแบ่งกันงั้นเราเลือกเจาะจงได้เพราะบางเราไม่รู้ว่าใครอยู่ในสถานภาพไหน เพราะว่าบางทีเราจะให้แม่แต่บางทีแม่เขาอาจจะเป็นเทวดาก็ได้เขามีบุญมากเขาก็อาจารย์นุโมทนาแต่เขาบอกเขาไม่ต้องรับบุญที่เราส่งไปให้เพราะมันเป็นเหมือนเงินให้ขอทานแม่เป็นเศรษฐีแม่ก็บอกว่าอย่งนเอาไปให้คนอื่นดีกว่าให้ขอทานคนที่เขาไม่มีญาติดีกว่า mm hmm. ก็เราสามารถ ปุธิ์แบบว่าขอให้แม่ถ้าแม่ไม่ต้องการก็ให้บรรพบรุษถ้าบรรพบรุษไม่ต้องการก็ให้สับประสัต ท, ทั้งปวงผู้ที่ไม่มีญาต่ว่ากันไปเป็นขั้นขั้นไปก็ได้เหมือนเขียนเช็คคำถามจากคุณส้มจะทำอย่างไรกับความโกรธและความฟุ้งซ่าน ก <S an> ็สติเนีย่ยแหละสติจะหยุดความฟุ้งซ่านได้ถ้าเราพุทโธพุทโธโทมันก็จะคิดไม่ได้พอไม่คิดมันก็ไม่ฟุ้งซ่านเวลากโกรธเราก็ใช้พุทโธหยุดมันได้แต่มันจะหยุดได้ชั่วคราวพอเราหยุดพุทโธมันก็กลับมาโกรธใหม่ได้ถ้าอยากจะให้มันหายโกรธอย่างท้งทาวลก็อย่าไปมีความอยากเพราะความอยากเป็นต้นเหตุของความโกรธอยากกินกว๋วยเตี๋ยวพอได้ก็ผ่านมาก็โกรธะ ฉันต้องยินดีตามมีตามเกิดสังวุ้เติ๋ยวแล้วแต่เขาจะเอเข้าวผัดมาให้ก็ยินดีก็จะไม่โกรธเห็นต้องพยายามลดละความอยากอะแล้วความโกรธก็จะน้อยลงไปถ้าโกรธก็ต้องให้อภัยคนที่เขาให้ทําให้เราโกรธบอกว่าอย่าไปถือสากันเลย มองถึงความดีของเขาดีกว่าคนเราไม่ใช่มีแต่สิ่งที่ไม่ดีอาจจะทําดีเพียงแค่ครั้งนี้ครั้งกรับทําไม่ดีเพียงครั้งนี้ครั้งเดียวแต่ก่อนหน้านี้เขาทําอะไรดีให้เราก็เยอะแยะเรามองไม่เห็นเนาะไม่ไปคิดถึงมันนะอย่างพ่อแม่เราเนี่ย เ, เราไม่น่าจะโกรธพ่อแม่เราเลยแต่พอแม่เราพ่อแม่ขัดใจเราหน่อยก็โกรธละแต่ถ้าเรามีปัญญาก็คิดเสร็จแล้วพ่อแม่เขาทาอะไรให้กับเราที่ดีๆต้องเยอะแยะตั้งแต่เราเกิดมามากมายกายกอง ถ้าเราคิดอย่างนี้ได้เราก็จะหายโกรธเราก็จะเลิกเก้อเลิกโกรธได้ต้องพยายามมองความดีของคนด้วยอย่าไปมองแต่ความไม่ดีของเขาคําถามจากคุณกิติมาอาการขนลุกที่เกิดขึ้นขณะสนทนาธรรมในบางขณะหรือเช่นพอคิดว่าจะส่งปัจจัยไปทําบุญ ในวันเปิดสามแดนโลกธาตุกับหลวงตามหาบัวขนจะลุกสู้เลยจะเป็นอาการปิติหรือเปล่าครับเขาเรียกว่าปิติเนี่ยขนลุกซสื้อน้ำตาไหลหรือถ้าดูหนังผีก็อันนั้นก็อันนั้นไม่ใช่ปิติอันนั้นความกลัวคำถามจากคุณแพ เวลาใจกำลังค่อยๆสงบลงสงบลงเรื่อยๆพอถึงจุดหนึ่งมันจะรู้สึกโล่งไปทั้งตัวใจเบาเราก็ทำเหมือนเดิมต่อคือดูลมหายใจแบบนี้ถูกต้องไหมคะดูไปเรื่อยๆจนกว่าจิตมันจะตกลุมตกบ่อแล้วนิ่งลมหายไปร่างกายหายไปเหลือแต่ผู้รู้อยู่ก็อยู่กับผู้รู้ไปอยู่กับความสุขความสงบไป คำถามจากคุณกบกราบเรียนถามพระอาจารย์ว่าเวลาเราปฏิบัติไปแล้วบางครั้งรู้สึกหดหูเศร้าหมองนี่คือเราทําผิดวิธีหรือเปล่าคะเพราะเราไม่มีสติจิตมันก็เลยปรปุงแต่งอยากจะไปทํานูน่ทนทํานี่มันก็เลยหดหูเศร้าหมองเราก็ต้องรีบปลุกสติขึ้นมาต้องรีบขยนันพอรู้ว่าหดหูนี่ต้องรีบพุทโธแล้ว แสดงว่าใจมันปรุงแต่งไปตามความอยากนะมันเลยทำให้เราอยู่เฉยๆแล้วรู้สึกหดหู่ขึ้นมาแต่พอเรามีพุโทโธพุโทโธไปสักพักเดี๋ยวใจก็จะเบาจะเย็นหายหดหู่เวลาปฏิบัติมันจะเป็นอย่างเงี้ยเป็นพักๆไปเวลาที่เราขี้เกียจเวลาที่เราเผลอไม่พุโทโธเดี๋ยวจิตมันก็ปรุงแต่งคิดถึงเพื่อนคิดถึงแฟนคิดถึงขนมคิดถึง อะไรต่างๆแล้วพอมันไม่ได้ทํามันก็เลยหดหูขึ้นมา mm hmm. พอเราเริ่มรู้สึกหดหูแสดงว่าสติเราหมดกําลังแล้วถ้าเป็นรถก็น้ํามันหมดแล้วต้องรีบเข้าไปแวดตามสถานีบริการแล้วท mm hmm. ันใดเวลาใจเราเริ่มหดหูเริ่มไม่สบายใจนี่แสดงว่าสติเราหมดกําลังแล้วต้องพุโทโธพุโทโธขึ้นมาใหม่นะแล้วต่อไปเดี๋ยวมันความหดหู่ความไม่สบายใจเหล่านั้นก็จะหายไป คำถามครับมีมดขึ้นอาหารและสิ่งของวางไวเอาวางไว้เป็นมดขึ้นตลอดเราจะทำยังไงคะเพราะหลีกเลี่ยงการปัดกวาดเช็ดมดไม่ได้คะ่ะกลัวบาปตามสนองก็วันหลังหาวิธีการมดสิเขาสมัยก่อนเขามีตู้ที่เขาหล่อน้ำกันขาตั้งใส่ ไอ้ที่ภาชนะที่มีน้ำล้อมรอบมดกันก็จะไม่ขึ้นถ้ามันขึ้นก็เอาอาหารนั้นไปทิ้งไปเทไปทิ้งที่มันทาให้หมดไม่ตายไปก็ต้องหาวิธีป้องกันทำได้คนก็ทำกันได้เราไม่ทำกันเองมันก็เลยปล่อยให้หมดขึ้นหมดแล้วเลย พนเราชอบมักง่ายชอบสบายพอต้องทำอะไรยากหน่อยก็ไม่อยากจะทำพอไม่อยากจะทำมันก็เลยเกิดปัญหาขึ้นมาถ้าเราใช้เหตุใช้ผลมดันขึ้นเพราะมันมีของมาล่อมันมันถึงมาน้ำตาลใกล้มดใช่ไหมถ้าอยากให้มดไม่ไปถึงน้ำตาลก็ต้องมีน้ำมีอะไรล้อมรอบน้ำตาลนั้น หมดมันก็จะไปหาน้ำตาลนั้นไม่ได้สมัยนี้เราก็มีตู้เย็นมีตู้อะไรล้วก็เก็บได้ดังนั้นใช้เหตุใช้ผลหน่อยวิเคราะห์ปัญหาว่าเกิดจากอะไรแล้วจะแก้อย่างไรก็แก้ไปชีวิตเ ป, เป็นอย่างนี้แหละจะให้มันแบบสบายทุกอย่างมันไม่ได้มันก็ต้องมีปัญหาอะไรมาให้เราคอยแก้อยู่เรื่อยๆเราก็สามารถแก้ได้โดยที่ไม่ต้องทำบาป ก, กันแต่ถ้าเราอยากจะแบบมักง่ายแล้วก็ยางมาฉีกกัน ฆ่ากันเออมันนี้ก็มันก็เลยทำให้เราต้องไปทำบาปถ้าอยากจะแก้ปัญหาแบบง่ายๆมันก็มักจะทำให้เราต้องทำบาปแต่ถ้าอยากจะไม่ทำบาปก็ต้องต้องหาวิธีมันอาจจะยากหน่อยก็ต้องทำไปให้คิดว่าการทำบาปนี้มีโทษรุนแรงกว่านนก็ต่อการที่เราจะต้องมาหาวิธีการมดจากผู้ไม่ประสงค์ออกนาม กราบนมัสการพระอาจารย์ใน a ฟ e b o o k หนูโพสต์ธรรมะบ้างโพสต์เรื่องทางโลกบ้างสลับไปสลับมาจะเป็นการสมควรไหมคะก็แล้วแต่หนูนะมันเป็นเหมือนเป็นไดอารี่ของหนูอะ่ะหนูจะเขียนอะไรก็เขียนไปก็จริงๆไอเฟซบ o ๊ Facebook นี้ก็เป็นไดอารี่ดีๆมันทึกเหตุการณ์ต่างๆที่เราทำวันนี้ไปทำบุญก็ถ่ายรูปส่งไปให้เพื่อนดู ตอนนี้ไปเที่ยวถ่ายรูปส่งไปให้เพื่อนดูก็อยู่ที่คนเขาดูอะถ้าเขาไม่ดูเขาก็ลบทิ้งไปเขาก็ไม่เข้าดูทั้งเองแต่ถ้าเป็นพระทําไม่ได้อย่างเรานี่เดี๋ยวไปถ่ายรูปไปกินที่นู่นตอนเย็นนี่ไปขอไปกินเรื่องที่นู่นไปดูคอนเสิร์ตไม่ก็ทำไปแต่เรื่องธรรมะอย่างเดียว แต่ปัญญานี่มันไม่มีไม่มีข้อห้ามใช่ไหมอยากจะโพสธรรมะก็ได้อยากจะไปถ่ายรูปไปเที่ยวที่นั่นที่นี่ก็กทำไดน้นมันแล้วแต่แต่ถ้าเราอยากจะเผยแผ่สิ่งที่ดีก็เอาแต่ธรรมะอย่างเดียวมันก็คนดูก็จะได้แต่ธรรมะมก็แล้วแต่ว่าเรากำลังต้องการเผยแผ่อะไร f a c e b o ๊ k นี่ก็เป็นเหมือนกับสื่ออย่างหนึ่งที่เราจะสื่อกับผู้คนทั้งหลายที่เรารู้จัก คำถามจากคุณสไปผลบุญที่เรามีแต่ยังไม่แสดงผลมีทางใดที่ทำให้ผลบุญนั้นแสดงผลได้เร็วๆบ้างไหมครับ อมันแสดงแล้วแต่เราไม่รู้เองทำบุญปั๊บมันเกิดความสุขขึ้นมาที่ใจแล้วอันนี้ผลเกิดขึ้นทันทีผลผลขั้นที่หนึ่งเกิดทันทีเวลาเราทำาคือที่ใจไม่ว่าบุญหรือบาปทำบุญก็สุขใจเย็นใจทำบาปก็ร้อนใจทุกข์ใจขึ้นมาส่วนผลที่จะตามมานี้มันเราไปเร่งมันไม่ได้ไปทำให้มันช้าเรื่อเร็วไม่ได้เช่นผลที่จะเกิดทางร่างกายนี้ไม่แน่ ทำบุญแล้วอาจจะไม่มีใครรู้ไม่มีใครให้รางวัลไม่มีใครให้ความชมเชยก็ได้ทำบาปแล้วไม่มีใครรู้ก็ไม่มีใครจับเราไปติดคุกติดตารางก็ได้อันนี้ผลนี้ไม่มีไม่แน่นอนแล้วผลที่สามคือเวลาตายไปแล้วอันนี้แน่นอนตายไปแล้วก็แล้วแต่ถ้าเป็นบุญมากกว่าบาปบุญก็สแสดงผลก่อนถ้าบาปมากกว่าบุญบาปก็สแสดงผลก่อน ผลของมันก็คือในรูปแบบของความฝันเนี่ยเวลานอนหลับนี่ล้วก็เหมือนเราตายใช่ไหมตอนที่เรานอนหลับเราไม่ได้ใช้ร่างกายแต่ใจยังฝันเนี่ยที่ฝันดีก็เพราะบุญพายฝันที่ฝันร้ายก็เพราะบาปที่เราทําไว้พาให้ฝันพอเวลาตายจริงๆมันก็ฝันดีฝันร้ายเนี่ยฝันดีก็เป็นสวรรค์ฝันร้ายก็เป็นอบายไปทั้งนั้นเองไม่ใช่สถานที่เป็นเป็นความฝันของใจ เราอยู่ในโลกของความฝันเวลาที่เราไม่มีร่างกายแล้วพอเราได้ร่างกายอันใหม่เราก็ตื่นขึ้นมาใหม่แล้วก็มาทำบุญทาบาปกันใหม่แล้วเวลานอนหลับแล้วเวลาตายก็มาดูผลบุญผลบาปที่เราได้ทำกันตอนที่เราตื่นกันก็ทำอย่างนี้ไปอยู่ตลอดเวียนว่ายตายเกิดอย่างนี้มาตลอดมอีกไหมสองข้อสองข้อจากคุณยาย กราบนมัสการค่ะอยากถามว่าจิตที่นิ่งสู่ลงลึกมีแต่ตัวรู้แต่จะต่อไปอีกไม่รู้จะทำยังไงออไม่มีที่ต่อแล้วถ้าเป็นรถยนต์ถ้าเป็นรถไฟก็ถึงสถานีหัวลาโพงนะมันไปไม่ได้มันสุดทางนะนั่งสมาธิเพื่อให้มันนิ่งให้มันสงบให้มันเป็นอุเบกขาให้มันมีความสุข ทำต่อไปได้ก็คือประครับประคองให้มันนั่งไปนานๆให้มันนิ่งไปนานๆพอมันคิดมันอยากจะลุกก็หยุดความคิดนะ้ให้มันนั่งนิ่งต่อไปทำได้เท่านี้ถ้าอยากจะไปไกลกว่า น, นี้พอลงถึงส ถ, า, ถานีหัวลาโพงก็ต้องไปต่อรถถเตยไปได้ถ้าอยากจะไป จากสมาธิก็ต้องไปต่อลดปัญญาออกจากสมาธิมาก็ต้องเริ่มศึกษาทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีอยู่ว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์อย่าไปยึดอย่าไปติด ถ้ายึดแล้วเราจะทุกข์ถ้าไม่ยึดก็จะไม่ทุกข์เพราะของทุกอย่างที่เรามีไม่ช้าก็เร็วก็จะต้องมีการพัดภาคจากกันนี่ก็ไปต่อได้เพราะจะทำให้ใจเราเบาขึ้นสุขมากขึ้นเพราะเราจะเริ่มปล่อยวางเราจะเริ่มไม่หนักหกหนักใจกับสิ่งนั้นสิ่งนี้คนนั้นคนนี้เพราะเรารู้ว่าเราจะต้องมีการพัดภาคจากกันเป็นธรรมดาคาถามจากคุณชนะตนเวลาเราทาอาหารใส่บาต จะแบ่งบางส่วนไว้ทานเองและแจกคนอื่นด้วยจะบาปไหมคะอ๋อไม่บาปเหรอก็เป็นปกติของชาวบ้านชาวบ้านเวลาทุกวันที่เขาใส่บาท น, นี้เขาก็ทำกับข้าวแล้วก็แบ่งส่วนหนึ่งให้ถวายพระไปอีกส่วนหนึ่งเขาก็กินกันอันนี้เป็นเรื่องปกติไม่บาปเป็นบุญนะไม่ต้องกังวล อย่าแต่อเอาของที่กินเหลือเรามาใส่ก็แล้วกันอันนี้ก็เป็นบุญแต่บุญน้อยกว่าเอาของที่ยังไม่ได้ยังของที่เรายังไม่ได้กินกินเหลือเรามาใส่บาทนี่มันจะได้บุญน้อยกว่าเพราะเราให้ของไม่ดีของเดน่นล้วเวลาเราให้ของไม่ดีเราจะไม่ได้ความสุขเหมือนกับให้ของดีเช่นขยะนี่เราไปทิ้งเราได้ความสุขจากการทิ้งขยะไหมไม่มี